เจริญพรท่านสาธุชนุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานสิ่งภาวนาผู้ที่ผู้ใดมีความสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาถามตอบกันได้ อย่างเช่นเคยเราก็จะเริ่มต้นที่เด็กๆก่อนไปที่โตเกียวกันเด็กนะังเมืองโตเกียวนะโโวนะคุณโอเคนะคุณไม่มีคำถามานมามักการค่ะพระอาจารย์ชิดชกชิดแต่น้ำคุณกาบพระอาจารย์กันลูก วันนี้งองแงค่ะว่าอาจารย์แต่ว่ า, าทีนี้ยังเป็นเด็กดีเหมือนเดิมค่ะบางวันก็นั่งสมาธิค่ะพยายามสอนไปนเร่เอยๆค่ะดีมากเลยค่ะพอพอมีอะไรก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันพุธจะบอกพ่ออาจารย์กนะ็ <c oughs> ดี ข, ขึ้นค่ะว่าอาจารย์พอจะเริ่มสนเดี๋ยววันพุธจะบอกพ่ออาจารย์นะอค่ะโน้มีอะไรไหม หนูมีคำถามค่ะพระอาจารย์เมื่อตอนที่ช่วงช่วงนี้ได้เป็นเกือบเป็นเดือนแล้วเหมือนกันค่ะนั่งสมาธิไหว้พระเช้าแล้วก็ตอนนอนทุกวันเมื่อตอนเช้าก็ทิ้งทิ้งแล้วค่ะนั่งสมาธิทีนี้นั่งไปได้เป็นเป็นเกือบชั่วโมงอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนตัวมันมันหายมันหายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจคือว่ามันรู้สึกเหมือนตอน ที่ผ่าตัดแล้วข้างล่างท่อนล่างมันแบบเหมือนฉีดยาชาไม่มีความรู้สึกอะค่ะพระอาจารย์ในค่ะมันคือเราคิดไปเองหรือว่ายังไงอะค่ะก็มันเป็นของที่เกิดขึ้นอะมันจะไปคิดไปเองได้ของนี้คิดเองก็ต้องกินตอนนี้ได้เลยอือใช่ตอนนี้กินด้กินให้กินได้มันเป็นอย่างนั้นได้ปา มันไม่เมือนไม่ได้ค่ะก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรยังไงมันก็คืออย่างนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจมันเป็นยังไงแล้วสักพักก็คือนั่งไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกแค่ว่าพุทโธมันลอยลอยอยู่แล้วก็ตัวก็ยังไม่มีอ่ะนะคะแล้วก็หนุก็นั่งไปเรื่อยๆมันนิ่งจริงๆเราต้องการก็คือความสุขเวลานั่งเรามันสุขหรือเปล่าค่ะทํามันสุขก็ใช้ได้ มันจะว่างไม่ว่างมันจะลอยไม่ลอยแล้วมันก็ไม่เป็นประเด็นต่ากันค่ะก็คือให้เรานาัา่งจับลงไปรีบด้รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์ที่เราต้องการก็คือให้ใจเราวางเฉยอืเดีย๋ยวนี้เป็นงานกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้วางเฉยได้ทำใจ<า>ได้ <พา S 1> ได้ค่ะพระอาจารย์ คือบางทีมันก็มีแวบที่แบบรู้สึกแบบโกรธจังเลยทําไมถึงทําขนาดนี้แต่ว่าพอได้สติก็รีบกลับมาถ้าไม่ไปคิดก็ไม่ไปทุกข์ให้วางใช่ไหมคะอ่าห้ามเขาไม่ได้เป็นธรรมตาค่ะเหมือนฝนตกแดดออกภูเขาไฟอย่าระเบิดไปห้ามมันไม่ได้หรอกค่ะไป่ว่ามันได้เริ่มมันว่ามันดีไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะพระอาจารย์ พยายามรีบดึงกลับมาแล้วก็ฟังที่พระ้าจาย์คือ ค, ำ ค, ำคำําคําสอนพระอาจารย์ก็ลอยเข้ามาบอกว่าก็เราไปทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางไปไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าจย์พยายามใช้หลายๆข้อดีไม่นั่งแต่มีธรรมะมาถ้าไม่มีธรร ม, มปะป่านนี้เป็นยังไงบ้าง่ะโอ้โหป่านนี้คงนึกภาพไม่ออกเลยค่ะป้าจย์อาจจะเป็นข่าวดังมากเป็นซามูไรเลย เป็นชมุไลแน่ๆเลยค่ะคือแบบยามกันขนาดนี้ยังยังแบบว่ารู้สึกขอบคุณในธรรมะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเรามาเหมือนกับได้ถูกช่วงจังหวะพอดีที่มีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนนะคะพระอาจารย์อืมค่ะได้เติียตัวพรอาจารย์บอกเราต้องมีการพัฒนาจากการเป็นธรรมดาค่ะหนงหนจากการไม่ได้ อ่ามันแปลกมากเลยนะคะที่เราแบบว่าพอพอระวางเราเราไม่คิดแค่นั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกที่อยากจะไปแบบไปเอาชนะหรือว่าไปทำให้เขาเจ็บเหมือนกับที่เขาทำเราอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อ่าไ่ยุ่ง่วางทำให้เราเปลี่ยกเราจะไปแก้แค้นมันหรือเปล่าก็ค่ะ เวลาเปิกเวลาเปริกฝนเราจะไป<ต>ทำทำทำ<ต>ลายฝ น, นหร่ค่ะพระอาจารย์เมื่อวานค่ะเมื่อเมื่อวานนี้เจ้านายญี่ปุ่นนะคะเขาก็เรียกไปถามว่าเป็นยังไงมั่งเขาก็เป็นห่วงใช่ไหมคะเดีก็บอกว่าอ๋อพอดีมีธรรมะชู่แล้วเดี๋ยวก็บอกเขาว่าเนี่ยธรรมอ่อศาสนาของเราอสอนว่า ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราปล่อยวางมันเราวางมันไว้เราก็ไม่ทุกข์เขาบอกว่าแล้วมันลืมได้จริงจริเหรอแล้วก็บอกว่ามันลืมไม่ได้หรอกก็ถ้ามันคิดใหม่เราก็เราก็พูดโทพูดโธใหม่หรือว่าถ้าลืมมันไปใหม่ก็ได้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ชี้แนะนําแนวทางค่ะทำสมาธิไปเรื่อยๆนะท่านบอกว่า ล้วเราจะปล่อยวางได้นะอ่าขอบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคอ่ไปที่จมัดกัจจะที่ศีรชาเกลราบรมสการ์พระอาจารย์ครับมาส่งการบ้านเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะคอาว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่องพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะระเวนเป็นต่างๆตือว่าเราจะต้องพลัดพลาดจากของรักของเตลเดินใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทําการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการ น, นั้นๆสิบไปเราทั้งหลายของคือจะอะไรอนี้ทุกวันทุกวันเถอะเชื่อไหมว่าเป็ น, เ ป, นเป็นความจริงสิ่งที่เราเล่า อ, อยู่เนี้เชื่อวครับอ่าต้องเกิดขึ้นนะครับครับดังต้องเชื่อพระพุทธเจ้ า, าแล้วทําแต่กรรมดีกรรมไม่ดีอย่าไปทํานะครับครับ อเคแล้แล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างคมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับท้องอืดไตปอเส้นให่เส้นอาหารใหม่ะค่ะเก่าเยื่อในสมองศีสันน้ำดีน้ำเสลน้น้ำเหืองน้ำเลือดน้ำเนืน้ำมันมะขอนน้ำตาน้ำแ่เหลือน้ำลายน้มูกน้ำไขมันข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำแข็งน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนือน้ำเลื่อนน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีเย่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่เส้นน้อยเส้อใหญ่ปวดไตผังผืดตับหัวใจม้าเย่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและคนตนเป็นไงเห็นร่างกายให้เห็นอาการสาที่สองของร่างกายแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ก็เฉยๆค่ะไม่เฉยเลยไม่ตื่นเต้นไม่ไม่รักไม่ชังเลยไม่ไงยังรักร่างกายอยู่อ่ะไม่ค่อยนะครับยังว่ายังว่าร่างกายสวยงามอยู่อ่ะไม่ครับนะท่อไว้ทุกวันนะจำไว้อย่าลืมนะอันนี้สําคัญนะค่ะครับอือโตได้โตขึ้นมาจะได้ไปบวชได้ ใจห น, หน่างกายทางศิสองแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ไปเป็นมีครอบครัวทำไมฮะให้บวช ด, ดีกว่านะอยากจะบวชไหมอาจจะบวชครับเ อ, องดูนะโอเคแม่มีอะไรบ้างมีค่ะหนูรายงานการปฏิบัติค่ะช่วงนี้ก็ท่องพุทธโถตลอดเลยค่ะแล้วก็นั่งสมาธิทีนี้ บ, บางครั้งเวลาที่นั่งอะค่ะพระอาจารย์ มันรู้สึกเหนื่อยอยากดูลมหายใจเฉยๆอะค่ะแต่ข้างในอ่ะมันไม่หยุดพูดโทรค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็นั่งดูแบบมันไม่หยุดน่ะหนูก็เอ๊ะทาไมมันบังคับไม่ได้ก็อย่าไปหยุดมันใส่มันพูดโทรไปก็ดีเนี่ยกะถ้ามันเราก็ดูไปเฉยๆก็ได้ดูพูดโทรไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองถ้าเราอเราอย่าไปอยากเลยถ้าอยากเราก็จะทรมาน มันมันไม่หยุดมันก็ปล่อยมันไปมันก็เป็นอนัตตาเองเราก็รู้ไปแทนที่จะดูแลเราก็ดูพุทโธไปก็ได้เอาใจไหมเอาใจอ่ะอออย่าไปยายาให้มันหยุดถ้ามันไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันท่องมันไปมันก็อาจจะเป็นเพราะเราท่องมาบ่อยๆก็เลยติดเป็นติดนมบุญไปอนั่งปุ๊บพุทโธอัตโนมัติแล้ว ก็เดี๋ยวต่อไปเวลาโกรธขอให้มันมาทุโทพุโทโธเวลามันเจ็บออกมาทุโธพุโทพโธมามมพุโทโธพุทโธโอเคนะครับ<อ>ไม่มีอะไรแล้วนะไม่ไมีอะไรครับอ่าไปที่ตะวันตกกราบพระผู้คุนพระจางครับอ่ตะวันหน่ะอยู่ประเทศฮอลแลนด์กราบมรดกมพระจางครับเป็นยังไงครับ ไม่ค่อยดีพราะวาวันนี้มีใครนีเดินครับอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ครับนะครับห้ามมันได้เปล่าไม่ได้ครับอ่าไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอ่าอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอยากให้มันหายเดี๋ยวมันหายเองมันมาเองเดี๋ยวมันไปเองเรามียา ก, กินก็กินไปไม่มียา ก, ก็กไ็ไม่กิน ก็อยู่กับมันไปมันเป็นอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงเดี๋ยมันก็หมดไปเองไม่ช้าก็เร็วไม่หมดก็อยู่กับมันไปแล้วจะไม่ทุกข์ใจเข้าใจไหมเข้าใจครับอืทุกข์ไหมตอนนี้ใจทุกข์ไหมไม่ค่อยทุกข์ครับอรู้จักปล่อยวางแล้วใช่ไหมคำว่าปล่อยวางใช่ครับอปล่อยวางความเจ็บไข้ในป่วย มันไม่เราไปทุกข์กับมันนะเราไม่ได้ป่วยเราคือใจใจผู้รู้ผู้คิดไม่มีวันป่วยไม่มีวันเจ็บร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราให้คิดอยแยกแยกตัวเราออกจากร่างกาย <Yeah. S 1> ดีไหมใช่ค <Sure. S 1> ่ะถ้าแยกได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางให้มัน เป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเรารักษามันได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปเป็นกว่ามันจะหายไปเองเ อ, อมีอะไรไหมวันนี้เ อ, อแค่หนึ่งคำถามครับ อ, อถามมาเลยก่อคนพระพุทธเจ้ามันมีพระอรหันต์ไหมไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผ้าลหลานก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นผ้าลหลานผ้าลหลานตาัด ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผ้าลหลานด้วยตนเองเป็นเป็นคนสนอนตัวเองให้เป็นผ้าลหลานคนอื่นสอนตัวเองให้เป็นผ้าหลานไม่ได้อย่างไอ้วันนี่สอนตัวเองให้เป็นผ้าหลานไม่ได้ต้องมีคนสอนเข้าใจไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีผ้าหลานไม่มีผ้าธรรมไม่มีพระรรพระุทธศาสนา เรามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วต้องสั่งเอาธรรมะมาสอนคนพขสอนแล้วมีคนอาไปปฏิบัติก็เป็นพระหลานขึ้นมาได้พอมีพระหลานนี่ก็มีพระธรรมคําสอนมีพระพุทธเจ้ากรรม็มีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไปได้นานถ้ามีผู้มารับหน้าที่ต่อจาก พ, กา<ม>กพระพุทธเจ้าก็คือพระหลานเท่านั้น อยากเป็นไหมอยากเป็นพาาระรหันไหมอยากเก้าขั้นเราขึ้นบวชนะอายุยี่สิบก่อแม่บวชเลยนะไปบวชกับลูกหลวงพ่กกอเสนก็นได้นะหลงปู่เสนชอบวัดหลวงปู่เสนไห ม, มก็ชอบครับถ้าบวชต้องบวชรอดป่านะต้องบวชแล้วปฏิบัติไม่ต้องเรียนมากทธารมะเรียนถ้าที่จาเป็น น, นั่นเองก็พอ ถ้าอยากเป็นพระอาจารย์ก็ต้องไปบวชนี่ไหมดีครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับแม่าพระอาจารย์ก็คือโยมีแค่เพียงหนึ่งคําถามค่ะพระอาจารย์ว่าเรื่องการพิจารณาข้อธรรมเรื่องสัพเพธรรมาอนัตตาที่พระอาจารย์ได้ได้ได้เน้นย้าบ่อยๆนะคะว่าถ้าพิจารณาตัวนี้บ่อยๆนะคะจะทําให้จิต จิตของเรานี่มีความฉลาดขึ้นแล้วก็มันจะได้อุเบกขาเวทนาแล้วก็จะสามารถลดละตันหาที่เกิดขึ้นได้ใช่ๆช่ถูกต้องไหมคะอาจารย์ได้เพราะมันจะปล่อยวางไม่รู้ว่าไปทาอะไรไปได้กับดินฟ้าอากาศเราไม่มีตันหากับดินฟ้าอากาศท่าไหร่ใช่ไทุกอย่างก็เหมือนดินฟ้าอากาศทุกอย่างเป็นธรรมชาติอืมเป็นแต่ว่าบางทีเราควบคุมมันได้ ชั่มันได้ก็เลยคิดว่าเราจะควบคุมมันได้เสมอไปแต่เดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งมันก็ควบคุมไม่ได้อย่าง ต, ตะวันเนี่ยตอนเนี้ยเด็กว่านอนสอนง่ายเดี๋ยวโตวขึ้นดูเลยเนี่ยจะสอนได้ไหมอืมงั้นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นพอพอไปเจอสิ่งที่เราควบคุมบังครั้ไม่ได้ก็ต้องยอมยอมหยุดเย็น ยอมรับความจริงหยุดต่อต้านความจริงหัวใจแล้วก็จะเห็นอาจารย์คะแล้วก็ขอโยมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะคะพอาจารย์คือก็คือว่าอย่างโยมมีเคยมีความพอเอเคยมีความไม่พอใจคนคนหนึ่งเรื่องความตณ์หนีของเขาอย่างเนี้คะ่ะอาจารย์แล้วก็ก็มีความทุกข์ก็เลยหาวิธีจนให้จนจนจ น, จนที่รู้สึกว่าเฉยๆกับเขาได้ไปเจอเขาได้หัวล้อ ยิ้มให้เขาได้แบบนี้ปกติอะคะ่ะจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาความรู้สึกนั้นมันหายไปเพราะว่ามันมีการกระทําที่เราเห็นเขาแล้วก็มันก็เกิดความรู้สึกว่าไม่พอใจกลับมาอย่างนี้นะคะ่ะพระอาจารย์โยมก็เลยรู้สึกไม่พอใจที่ว่าความรู้สึกของโยมต่อคนคนนี้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ่ะพระอาจารย์อันนี้ค่ะจะต้องทํำยังไงคะพระอาจารย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เรายังไม่ยอมรับความจริงของเขา เรายังอยากจะเปลี่ยนเขาอยู่ยอะไรเพระเวลาใ น, นเราอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะให้เขาไม่ตนันตีเราก็ไม่พอใจเขาเนี่ยเราไม่ได้ยอมเขาด้ยปัญญาถ้ายอมด้ปัญญ า, า, ญญาคือเราทําไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราจะตันีเขเรื่องของเขาไปอตอนแรกเหมือนจะยอมรับได้นะคะเพราะว่ายมก็มองเออเขาคงแบบ เป็นเปลืออะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์พบภายในของเขาแบบเ น, นี้ค่ะ เ, เหมือนจะได้แต่พอเอหลังจากนั้นปุ๊บไม่รู้ยังไงก็เอรู้สึกไม่พอใจเขาขึ้นมากลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแตกใจ<า>ยังไม่เห็นฐานของความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเขาเป็นอนาตตาเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้แตอย่างคิดว่าเราอย่าง ยอยากให้เขาไม่ไม่ตันหนีอยากให้เขาลึกๆ <c oughs> แเราก็รับเขาไม่ได้เร า, าก็ยังอยากจะให้เขาเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราพอเห็เขาไม่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็ไม่สบายใจไม่พอใจ โยมก็เอาของอะไรไปให้เขานะคะพระอาจารย์ก็ยังทําต้องทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระาอาจารย์มั น, นคนละเรื่องกันนะนี่มันเรื่องของเราที่เอาของไปเราจะได้ไม่ตนันหนีส่วนขอจะตนหนีก็เรื่องของเขาไปยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่าไปหว่าเอาของไาให้ก็แล้วก็จะหายจากความตนห <c oughs> นีนเพราะว่านอนให้เขาแล้วก็จะให้กับให้ก็แล้วให้เราว่างเราก็ไม่ให้เขายิ่งไปโกรธเขายิ่ง เราให้เขาก็ไม่ได้อยากหวังผลตอบแทนจากเขาอย่าไม่หวังอะไรจากเขาที่ว่าสร้างสร้างความเป็นมิตรกันแคนั้นเ อ, องค่ะหรกิเยอมมเรียนอาจจะแบบอาจจะแอ บ, บหวังเล็กๆ ก, ก็ได้อาจจะเป็นไปได้ค่ะพระสารอาจจะให้แบบประชดเหมือนฉันให้เธอบ่อยๆเธอจะเธออาจจะได้อยากจะให้ฉันบ้ากกาลังคิดอยู่ค่ะพระสารว่าค่ะอือ <c oughs> ให้เขาเพื่อให้เขามีความสุขเรามีของที่เหลือกินเหลือใช้แล้วก็แบ่งให้เขาบ้างเรานี้สร้างมิตรภาพแต่เราไม่ไปหวังไปเปลี่ยนแปลงเขาเข้าใจไหมอย่าไปหวังจากกนรลดก็ทํานี้ให้ไปเปลี่ยนไปให้เปลี่ยนเขาให้ก้มนเนเหมือนเราเราไม่ตนันหนีแล้วเขาก็จะไม่ตนันหนตามเราไม่เป็นอย่ะไรอาจจะเป็นก็ได้แต่แตแ่ถ้าไม่เป็นก็ยอมก็ต้องยอมแล้วมันไม่เป็นมันเป็นก็ดีไป เ <c oughs> ข้าใจนะค <c oughs> ่ะือเป้าหมายก็คยอยากไปเปลี่ยนเขา <c oughs> ขอยากไปอยากเปลี่ยนเขาค่ะเมือนเหมือนอยากจะไปเปลี่ยนน้ำไม่ไปเป็นลมได้ไหมเป็นไม่ได้น้ําก็ต้องเป็นน้ำเข้าใจนะ <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็พ้พูดถึงเรื่องความรู้สึกของของเราที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อีกใช่ไหมคะพระอาจารย์ความรู้สึกต่อบุคคลหรือสิ่งของแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ก็ถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เห็นใจรักในตัวเขาเราก็เปลี่ยนได้แล้วแต่อารมณ์เราเมือารมณ์บางอารมณ์เราก็ยอมรับเขาเมืออารมณ์เรก็ไม่ยอมรับเขาแต่ถ <c oughs> ้าเห็นด้วยปัญญามันมันมัน ไม่เปลี่ยนไม่เป็นอารมณ์มันเป็นความจริง <c oughs> เขาเป็นส้อมอยากจะเ ป, เปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยนะ <c oughs> อคอะพรอาจารย์พราจเลยนะ<อ>หมดแลนะ้วยัง หมดแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจะนําคําสอนที่พระอาจารย์มาฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็คิดตามบ่อยๆอโอเคเอ่าใบที่เชียงใหม่ก่อนแอปมีเด็กอยสองคนเดี๋ยได้ไปนอนกันได้อ่าว่าไงหนูหนูมีอะไรไหมครับสวัสดีครับพระอาจารย์มาตรการครับพรอาจารย์พาเด็กๆมาน้ำมาตรการพระอาจารย์ครับ มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าอยากจะรู้อะไรเปล่าอ่าอ่าอยากจะถามอะไรถามมีอะไรถามอ่าป๊อกถามเลยมีถามก็ถามก่อนเลยพระอาจารย์คือในอดีตเี่ผมเคยเล่นยาเสพติดแต่คือเล่นยาคีโตมินอะไรเงี้ยครับแล้วคือเป็นมันมันเป็นช่วงวันลอยกระทงเนี่ยผมไปอธิษฐานว่าขอให้ทุกคนเจอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ครับเป็นไงแม้ว่าจะมันเหมือนขาดสติเนี้ยฮะ ขอขอขอไปขอไปก็มันมันก็ไม่มัมนมไม่มีความหมายอะไรขอขอไปจะได้ไม่ได้มันก็คนละเรื่องกัน <c oughs> ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเลยเรื่องการขอถ้าอยากจะได้มันต้องมันต้องทำมันถึงจะได้ขอเฉยๆมันไม่ได้หรอกขอใครขอใครล่ะใครจะมาให้เรานะ มันเหมือนเป็นมันเหมือนการขัดสติเนี่ยเดี๋ยวคือมันเหมือนเราแบบตอนเด็กๆอะไรเนี่ยครับคือผมเหมือนแบบโดนปลูกฝังอะไรเนี่ยเวลาทํำทงทําแท้งอะไรมีอะไรกับแฟนเนี่ยแม่นั่นผมก็เลยวิตกกังวลอะไรเป็นโลกย้ํำคิดย้ำทำอะไรเนี้ยครับพระอาจารย์ก็ต้องคอยใช้สติคอยควบคุมการกระทําการอะไรของเราก่อนจะทําก็คิดสัก่อนว่าทํา ทำแล้วถูกต้องไหคยควรจะทํำไหมต้องมีการยัายั้งชั่งตวงัวก่อนไม่ใช่พอนึดอยากจะทําอะไรก็พูดไปทําไปแล้วก็มาเสียใจภายหลังว่าไม่ควรพูดไม่ควรทํำอะไรนีร่แต่ทางวิทยาศาสตร์ได้ลกย้าคิดย้าทำเนี่ยคือมันเอสารเคมีในสมองไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่หรอกมันเรื่องของสติเรื่องจิตไม่มีสติสตัง เรื่องของการไม่รู้จักยังคิดด้วยปัญญามไม่ต้องไปฝึกฝนอบรม้องไปอยู่กับเนีไปบวชไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปอยู่กับวัดใช่ที่ผมเคยไปหาพระอาจารย์<ม>นะครับไป<ม>หาพระอาจารย์แล้วผมไปที่บอกกับพระอาจารย์จะไปอยู่กับหลวงปู่ฟักไ อ, อ, อ้ลุงสุขศิลป์กับหลวงปู่ฟั ก, ก, กเนี่ยครับมผมเคยไปปฏิบัติแล้วมันเครียดนะกว่าเดิมเนี่ยเหมือนแบบมันวิตกกังวลอะมันอะไรรู้ไหเหมือนแบบแสดงว่าเรายัางไม่พร้อม ยังไปบวชไม่ได้ครับ เ, เราต้องใช้ใช้ความพยายามคอยคอยควบคุมตัวเราเองก่อนจะพูดอะไรจะทำอะไรคิดให้ดีก่อนคิดให้รอบครอบก่อนคิดเป็นไหมรอบครอบผิดถูกควรไม่ควรอา่อ า, านใจไหม มันเป็นเรื่องมันเป็นปนิสัยมันมันเรื่องของนิสัยที่เป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสมองไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเคมีในร่างกายเราไม่เกี่ยวพฤติกรรมนี้เหละครับอาจารย์พฤติกรรมนิสัยเรามันเป็นอย่างนี้นเคยทําอย่างนี้เคยคิดแบบนี้มันก็คิดแบบนี้ทําแบบนี้ผมผมเคยอ่านอะไรไม่รู้ว่าเขามันเหมือนกแบบับจิตมันปลามาท พละรัตนใอะไรเงี้ยอยากก็อยากอะไรเงี wars, thereby, Apple, abs, mm ้ยแล้วบางคนเขาไปปฏิบัติจนได้ทำมหาสัจจันท์อะไรเงี้ยเขาแบบเอาจริงเอาจำจุงเทถวายกายถวาชีวิตอะไรเงี้ยขึนมาในมันมันเป็นในกระทู้หรือสักอย่างก็ไม่รู้จริงเร็อเปล่าก็ฟังโอ้ยโอ้ยก็แล้วกันเราต้องวพิสูจน์ดูด้วยตัวเรเองถึงจรู้เองแลไม่จริงได้ยินอะไรได้เห็นอะไรก็ต้องคิดก่อนว่ามัน จริก็ไม่จริงไม่ใช่อยากจะเชื่อก็เชื่อไม่อยากจะเชื่อก็ไม่อยากจะเชื่อมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อของเราความอยากของเรามันอยู่ที่ความจริงมั น, นมันเป็นจริงหรือเปล่าต้องดูที่ตรงนั้นอ๋อนะก็ฝึกสติพูดโทพูดโธไปเรื่อยๆมีสติแล้วเวลาจะพูดเะไรจะทาอะไรมันคิดได้ก่อนนะ ถ้าไม่มีสติมันก็ไปเลยคิดอะไรมันก็พูดไปเลยคิดอะไรมันก็ทําไปเลยเข้าใจนะครับโอเคขอบคุณพระวิาจารณ์เด็กๆไม่มีอะไรใช่ไหมเด็กๆมีมไหมอ่ามีครับก็ไหวพ้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะขัดไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทําได้ไหมพอต้อลงภาทำาลพ่อไม่ภาาทำํำลูกก็ไม่ทํา ครับก็ส่วนใหญ่ก็ไหว้ไหว้พระสวดมนต์กับพรอาจารย์ครับอือ่าเด็กเขาทําตามผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งกินเหล้าสุบหรี่มันก็เด็กก็ต้องมาทำตามผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สั่งให้เปไมม็นไหว้พระสวดมนต์แต่ผู้ใหญ่ไปนั่งกินเหล้าองี้เด็กก็ไม่มันไม่มันไม่ฟังหรอมันดูครับแม่ปู่สอนลูกปู่ในชะ่ไหมแม่ปู่บอกสอนให้เด็กลูกปู่เดินตรงๆ ตัวแม่ก็เดินเฉไปเฉมาลูกมันก็เดินเฉไปเฉมาตามแม่ครับอาจารย์อถ้าอยากจะให้ลูกทําอะไรเราต้องเป็นผู้นําพาเขาทาไปก่อนครับมันอาา่ะฮะพอดีช่วงนี้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกกับอ่าพี่คนเมื่อกี้เนาะถ้าอ่าพอดีมันเจอปัญหาครับเขาเป็นส้มยังไงเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยก็ไม่ได้ครับอาจ า, ารย์แล้วก็ เด็กเด็กมก็สอนได้ไม่ใช่จะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อ้ออ้อเด็กเด็กเด็กเข้าใจครับแต่ตอนนี้ผมเองเจอปัญหามลสมชีวิตอยู่เหมือนกันทั้อาจารย์แต่บางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ต้องดูก็ต้องดูครับไม่ใช่ว่าทุกไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไม่ได้ถึงว่าอันไหนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยาวล้อเปลี่ยนไม่ได้อันไหนพอจะเปลี่ยนได้พอน้มน้าวคนได้ก็น้อมน้าวเข้าไปครับไม่ได้นมน้าวแล้วครับพอดีตอนนี้มันก็คือมัน อ่ะฮะคือเข้าแอนตี้กับการที่เรามาปฏิบัติธรรมด้วยครับอาจารย์แสดงว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็แล้วไปนเแล้วก็ไปเปลี่ยนคนนี่เปลี่ยนได้อย่างลูกๆเราเนี่ยอยากเปลี่ยนม็ได้อยู่ยังเด็กอยู่ไม้อ่อนไม้อ่อนดัดง่ายครับอาจารย์ไม้แก่มันดัดยากครับอาจารย์ขอบคุบณคอาจารย์โอเคคนเราใช่ไหมเด็กๆโอเคไปที่เด็กโตแล้วคุณหมอพี่เช เป็นหมอใช่ครับกับนักสัจจานพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเป้าหมายชีวิตของพวกเราครับถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็คิดว่าเป้าหมายชีวิตก็คือต้องเจนนริญในลาภยศเสรรสเสรินสูงคนที่ก็ไม่มีาศาสนาพุทธที่เขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้เป็นมหาเศรษฐีนะหรือแม่งก็เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนี่คือความสำเร็จของชีวิตของเราให้มีให้มีความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ตา่างๆให้ได้อยู่ให้ได้รับประทานสิ่งที่อยากได้เีรยอรับประทานให้ได้ซื้อขอาซื้อของตา่างๆที่อยากจะได้อันนี้ก็คือเป้าหมายของชีวิตของคนที่ไม่มีพุทธศาสนาเป็นเป็นผู้สอนถ้ามาสอนถ้ามาศึกษาทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็บอกว่า โลกธรรมทั้งสีนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะมันเป็นกองทุกข์มืนไม่ช้าก็เดี๋ยวก็ต้องทุกข์กว่ามันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเจริญราบก็ต้องมีวันที่ต้องเสื่อมราบเจริญยศก็ต้องมีวันที่จะเสืยย่อมยศสรรเสริญก็ต้องมีวันที่จะต้องเจอริญธาตความสุขของรูปเสียงกิดแล้วก็ต้องเจอความทุกข์ของรูปเสียงเกิดเลย พะฉะนั้นก็อย่าไปหามันพหาแล้วจะต้องเจอความทุกข์ไม่ใช่ก็แล้วให้ไปหาสิ่งที่ไม่ไม่มีความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้แต่ความสุขนั่นก็คือการปฏิบัติสร้างความสุขทางใจด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอันนี้เป็นการกระทําที่จะสร้างความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่เราสร้างแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปเรารักษามันได้รักษาศีลรักษาทางรักษาภาวนาได้รักษาได้ความสุขที่ที่มันให้มันก็จะมันก็จะไม่หายแล้วมันจะกายเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปอก็คือความสุขของพันธิพันธ์อันนี้แหละคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จรงิง เพราะตอนนี้เราถ้าเราไปหาโลกธรรมเราก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดเพราะโลกธรรมได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อีกไม่พอตายไปก็อยากจะถึงมาหามานันอีกพอตายไป้วร่างกายนี้ตายไปก็ไปแล้รอไปรอรับร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็จะได้มาหารากของสันนิษฐานสูงๆมันก็จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าไปทางธรรม การทางสีธรรมดามันเป็นการลดละความอยากห า, คว า, ขขกวกาความสุขทางโลกอืแล้วก็สร้างความสุขทางธรรมไปพร้อมๆกันถ้ามีความสุขทางควา ม, มันก็จะไม่หิวกับความสุขทางโลกไม่หิวกับลาภยศสละเสริญสุขอมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ต่อไปพระพุทธเจ้าท่านก็เมื่อก่อนก่อนจะบวชท่านก็หาความสุขทัท้งโลกก็ทำแต่พอเห็นความไม่เที่ยง เห็นความแก่เราเจ็บความตายที่จะตามมาใช่ก็แล้วเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์มากกว่าก็เราอยากจะไปหาหาสิ่งที่ไม่ทำให้ใจไม่ทุกข์ก็เป็นห่วงเป็ห่วงก็ได้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ได้พบกับความสุขหลับความทุกข์ไปพร้อมๆกันแต่ไม่มีความทุกลงเลยอยู่ในใจมีแต่ความสุขอางเดียว แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีความอยากที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละคือเป้าหมายของชีวิตคือมนรู้มากผลที่ผ่านด้วยการปฏิบัติทานสีงภาวนาเข้าใจไหมครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับ อ, อาจารย์เนี่ยนะกรแบบอย่ า, ไางาไปทางโลกธรรมเนยอย่าไป เกิดมีใครมาเสนอให้ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็อย่าไปนะ <c oughs> แล้วไม่แน่ถ้าใครมาเชิญเนะี่เดี๋ยววิเลันก็เริ่มเริ่มขานรับอ้างโน้นอ้างนี้แล้วทำเพื่อกว่าน่นทำเพื่อชาติเชื่ออะไรไปมันก็เป็นข้ออ้างนะั่นแหละอนี้มันเป็นเรื่องของวิเลนะ่ทั้งนั้นแหละกิเล่ไม่ตองอยากได้ใช่ไหม ใครคิดไม่ได้เกิดมีใครเข้ามาเชิญได้ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเองจะคิดยังไงดีอไม่ไม่คิดเลยครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาจะทําำวันนีงไง ไ, ไม่ไปอยู่ได้ครับแน่ใจนะครับ <c oughs> จะมาได้เห็นแน่ใจก็โอเคแสดงว่าไม่หลงหายหลงเราจะเห็นว่าจะเห็นว่า ม, มันเป็นสุขอยู่ เป็นเป็นเกียรติอยู่ก็มันก็งงนะล <c oughs> องนำำําคําปงพระอาจารย์ไปปฏิบัติครับอาจารย์น่าไปทางทางศีลภาวนาแล้วกันบอนนะขอบคับ <c oughs> <c oughs> อ่าไปที่นาลาทิวาตอกุณนิศยากับคุณอ่าไม่ไม่ได้ติดโยมมีชื่อว่าคุณนุษาโอเค นกักการค่ะอาจารย์อรุณตอนนักมศการค่ะพระอาจารย์ช่วงช่วงนี้เราเปิดเทอมใหม่ค่ะหนูเซฟตารางหยุดทุกวันพุธแล้วค่ะพระอาจารย์มีน่าจะได้มี้วเป็นสิ่งที่เราทําเรากําหนดได้น ะ, ะ, ะถ้าเราอยากจะทําอะไรเราก็กาหนดไปแล้วก็พยายามทําตามที่เรากําหนดไว้เรียกว่าสัจจะอธิษฐาน ต้องต้องเจต้องต้องไม่หลอกตัวเองตั้งไวล้ววันพูดเดี๋ยวพอถึงวันพูดก็ว่าติดธุระนู่นติดธุระนี่ไปนู่นมาหนี่ระวังอย่นี้มันก็กิเลสมันก็จะหาช่องออกอยู่วันพูดเพื่ออะไรมันต้องมีเหตุมีผลแล้วเราทําตามที่เหตุผลของเราอยู่วันพูดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเนะไม่ย่งไรหรือว่าไม่อยู่มันพุธเฉย อยุดหยุดวันพุธจริงๆก็จะได้พักด้วยค่ะแล้วก็เพราะเมื่อก่อนทำงานทุกวันเลยแต่ว่ า, าจะได้มาฟังเข้าซูมมีเวลาเข้าซูมได้ค่ ะ, คะก็ต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทำตามเป้าหมายที่เรากำหนดขึ้นมา่แล้วก็พระอาจารย์ครับ ม, มีสองเรื่องค่ะคือ ที่หนูเคยบอกว่าสุนัขหนูไม่ไม่สบายใช่ไหมคะช่วงนั้นช่วงนั้นส ต, ติดีเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่จะไปดูแลเขาอะค่ะมันสภาพสภาพมันจะทำให้เราใจมันดิ่งง่ายๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เขาหายเป็นปกติหมดแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็ก็พอค่ะพอคิดได้เดี๋ยวเขาก็เป็นอีกไม่น่าเขาจะหายไป่ากถาวรที่ไหนใช่ค่ะก็ เหมือนกับมาซ้อมอีกรอบว่าอ้อมคือที่ผ่านมาก็ซ้อมว่าใจมันไม่ค่อยมันไม่ดิ่งมากแต่ว่าก็กังวลว่าถ้าเขาไปจริงๆจะรอดหรือแบบว่าหมายถึงว่าหนูจะต้องซ้อมยังไงต่อดีะคะพระอาจารย์มันต้องไปแน่ๆต้องเตรียมตัวไม่ <c oughs> มันไม่มไม่มีท่าหรอกพระพุทธเจ้าอกไม่มีท่าหรอกต้องไปแน่ๆล <c oughs> งพ้นความตายไปไม่ได้ <c oughs> แล้ว แต่ว่าขึ้นหนูก็ลังคิดว่าแล้วแบบปกติตามสัญชาตญาณของสัตว์เขาจะไม่ค่อยชอบให้เราไปอยู่ใกล้ๆบางทีเราอยากจะไปดูแลเขาถึงก่อนลมหายใจสุดท้ายแต่ว่าคือจริงๆคือขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาต้องการกับไม่ต้องการถูกไหมคะว่าเขาต้องก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องมาอยู่ใกล้เขาตอนช่วงสุดท้ายอให้เขามีข้าวกินมีอะไรให้เขาไม่ไม่เดือดร้อนก็พออย่างเรื่องทีบางทีเขา เราก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้พูดกันเร า, เราก็ไม่ได้บอกกับเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ค่ะกังวลกลัวว่าเราจะทําเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วหรือยังอะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ว่าเออจะทํายังไงต่อถ้าวันคือวันที่เขาต้องตายแน่ๆเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็ห <c oughs> น้าที่ของเราคือให้ข้าวให้น้ำให้ให้อยู่ให้ยาน่นานอ่ะ้วให้ทําอะไรมากไปกว่านั้นอ่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ mm hmm. ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เรื่องเรื่องที่สองค่ะพระอาจารย์คือหนูมีอัตุลกายอยู่ในตัวใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาอัตุลกาหนูถูกปลุกกระตุ้นขึ้นมาค่ะจอเกาะนคราวที่แล้วหนูเคยเล่าพระอาจารย์ไปค่ะว่ามีคนคนหนึงเขาตะคอกหนูหนูไม่อยากฟังเสียงเขาใช่ไหมคะเขาตะคอกบอกฟังตรีน๋นี้ฟังเดีน๋นี้หนูก็ทําได้แค่ว่าพยายามพุโทโธแต่พระอาจารย์เคยบอกว่าพุดโธเอาไม่อยู่หรอกเอาหูออกไปก่อนก็ได้แล้ว แต่พอครั้งเนี้ยค่ะหนูปรึกษาเขาปรากฏว่าเขาคนใหม่นะคะกล่าวว่าหาหาที่ปรึกษาเพราะว่ามีตอนตอนนั้นมีปัญหาเรื่องผู้ปกครองไม่จ่ายค่าเรียนค่ะแล้วเราจะเอจะพูดยังไงพูดไปแล้วดีหรือยังคําประโยคนี้อะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าที่ปรึกษาคนนี้เขาตะค อ, อกหนูกลับมามาค่ะแล้วหนูเริ่มรู้สึกว่าลองพูดอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องพขาพูดอีกรอบเขาเริ่มตะค อ, อกหนูก็เลยบอกว่า ออางั้นเดี๋ยวแค่นี้แล้วกันแล้วกจะตัดสายทิ้งค่ะปรากฏเขาตะโกนขึ้นมาว่าว่าหนุย่ะค่ะพระอาจารย์คำนม้เขื่อนมันติ่มแล้วมันอสุรกายออกมาแล้วค่ะค่ะพระอาจารย์เราจะป้องกันยังไงดีคะคือว่าพอเขาคนตัดสายไม่ทันหนุ่มเราจะป้องกันหรือแก้ไขช่วงกับการที่คนก็ลองเิีนไว้ตรงหน้าก่อนว่าไม่มีอะไรแน่นอน เขาอ จ, จะจ่ายเราก็ได้กขาอาจจะไม่จ่ายเราก็ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมทําใจ ย, ยอมรับบางทีก็าอาจจะไม่จ่ายเราไม่ว่าจะเป็นเหตุผลกลไกใดก็เรื่องของเขาเขาไม่จ่ายก็ไม่จ่ายก็ยอมรับไม่จ่ายก็ไม่สอนก็แล้วกันก็จบอไม่จ่ายก็ไม่ต้องเรียนมรแล้ากันค่ะเรื่องเรื่องผู้ปกครองไม่จ่ายเงินนี้ไม่ใช่คะ่ะพระอาจารย์คือหนูไปเรื่องเนี้ยหนูเอาไปปรึกษากับพี่คนนั้นนะคะแล้วเขาก็ ว่าหนูว่าเขาช่วงเนี้ยค่ะเขามันเป็นหลายทีแล้วค่ะที่เขาชอบว่าว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องแต่หนูก็ง่เองไปถามเขาตําๆไม่รู้จักหลีกเลี่ยงค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอคนมาตะคอกเราว่าเธอพูดว่าเธอพูดกับเพ่าว่ายังไงพอหนูอธิบายเข้าไปว่าหนูพูดกับผู้ปกครองแบบนี้คิดว่าดีหรือยังเราพูดสุภาพพอรีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาแบบอะไรนะแล้วเขาก็บอกเธอพูดไม่รู้เรื่องหนูก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยวแค่นี้แล้วกันเขาก็ตะโกนว่าว่านูมาอีกล้วค่ะ ก็อยากให้เมื่อกี้หอกับคุณหมอโลกธรรมไงมีสัระเสริญมีนินทามีชมมีด่าเป็นธรรมดาล้าจะเอาตัดชมอย่างเดียวใช่ไหมบอกเด่าก็เลยบอกเขาด่าก็เลยทุบขึ้นมาใกล้หูเลยค่ะพนระเจ้า อ, อย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าคำพูดของคนมันเป็นได้ทั้งสองแท้สองอย่าง เขาบางทีเขาก็จะชมเราบางทีเขาก็จะด่าเราเราห้ามก็ไม่ได้ก็าปล่อยก็ชมไปด่าไปแล้วก็เฉยเฉไปก็จดแต่เราไม่เฉยเราชอบชอบเวลาเขาชมว่าไายลอยฟูขึ้นว่าเขาด่าว่าแฟบขึ้นมาหดทำไมต้องฝึกสมาธิให้ไปอุเบกขาเยอะๆแล้วจะเฉยได้เราผ่านอุนเบกขาง่ายังไงนั่งสมาธิเยอะๆ ถ้จิตนิ่งเฉยแล้วมันก็จะเฉยกับเหตุการณ์ๆได้เฉยกับโลกกระทำแปดได้เข้าใจไหมอตอนนี้ก็ทกําคนบ้านไปก่อนซ้อมไว้ก่อนเวลาเจอใครก็อย่าไปหวังให้เขาโชกันเลยวะมัานอาจจะด่ า, าเราก็ได้มันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมอาวุธรับไว้ก่อนอืม ก็ตอนที่นั่งสมาแบบว่าคือตอนที่บริกรรมพุทโธหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ความคิดนี้ขึ้นมาตอนที่เขาตะโกนด่าเล่าก็เฉยๆค่ะพระอาจารย์แต่พอตอนนั้นะไม่ทันค่ะพระอาจารย์แสดงว่าคืออ่อนซ้อมอ่อนซ้อมอ่อนสติอ่อนปัญญา <c oughs> ปัญญาไม่ไม่บอกเตือนว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะอะไรจะเกอดขึ้นได้ อย่าไปคิว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยมันะอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้อาจจะมีปัญหาก็ได้ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนได้ค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ ะ, ค, ะ, ค, ค, ะคิดตามปัญญาว่าไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุอาคุณมุสาวนัจจนรัมการถ่ายจาร เอ่อมาริกาช ย, ยาว่ะค่ะจาย์ฝากกลับเวียนว่าวันนี้เขาเข้าสู่ไม่ได้นะคะทางบ้านเขาฝนตกฟ้าขนองมอะค่ะเขาไม่ได้ของที่บ้านโยมเพิ่งซาไปอ่ะเออเ่้านี้ฝนตกเยอะนะฝากกลัหักเลยค่ะที่ทางใต้หนักทั้งวันค่ะแล้วก็ตกวันนี้มีทั้งฟ้าทั้งฝนนะคะแต่ของโยมมันซาไปแล้วแต่บ้านเขายังยังเต็มอยู่ค่ะก็เลยเข้าไม่ได้ฝากกลับมาค่ะโอเค ก, อนนก็นี่จำเหมือนกันใช่ค่ะไม่ง่ายนอนเหมือนกัน ใช่ค่ะไม่มีอะไร<ต>แน่นอนใช่ค่ะอาจารย์สําหรับโยมเข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าสําหรับโยมนะคะอาจารย์เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยคะ่ะอาจารย์คือโยมกลับมาบ้านส่วนตามีโยมนอนที่ร้านใช่ไหมคะพขนอนที่ร้านแล้วก็โทรกลับมาโยมอาบน้ําออกมาปุ๊บโทรสายเข้าเรียกเข้าโยมก็ไม่ได้รับสายโยมโทรกลับไปหกเจ็ดสายเขาไม่ได้รับนะคะโยมก็คิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เพราะว่าบางครั้งเขาบอกว่าเขาเหมือนจะวูบอะคะ่ะเจอเลยขึ้นหรือเปล่ายมก็เลยขับรถไปที่ร้านปรากฏเรียกเรียกเขาก็ไม่ได้ยินตอนที่ตอนที่ออกไปอะ่ะใจแรกๆคิดว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรแต่ว่าเป็นอะไรก็เป็นจะเป็นอะไรก็เป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอาจารย์ก็แต่ก็มีสติไปเลยค่ะไม่ไม่ตกใจไม่อะไรค่ะเป็นอะไรก็เป็นแต่อย่าไปเป็นอะไรที่ร้านเขาแล้วกันก็งยงกับไปถึงก็อะไรกุญแจไปไขเข้าไปเขาก็นอนหลับอะค่ะปรากฏว่าอย่างนั้น แต่ว่าสิ่งที่ได้คือมันไม่เป็นอย่างเก่าที่เราจะต้องคิดไปเรื่องไม่ดีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่คิดว่ากลับมาตั้งสติได้ค่ะเป็นอะไรก็เป็นไม่เป็นไรค่ะตรงนั้นนะคะอาจารย์นี่คือแบบเจอกับตัวเองเมื่อวานนี้ยค่ ะ, คะวิธีการที่ถูกต้องต้องใช้สติใช้ปัญญารับกับเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปอย่าไปปรุงแต่งว่าโลก็อะไรขึ้นมายังไม่ทันเห็นอะไรก็ไปคิดเป็นนู่นเป็นนี่ไปล้ว ใช่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือจะไปก่อนแล้วค่ะแต่ก่อนนี้บอกพอตอนนี้ปุ๊บอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถออกไปดูแต่ว่าทําใจให้เป็นสติว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่เป็นไรแบบแบบนั้นนะคะจันก็รู้สึกอ๋อเขาไม่เป็นอะไรก็ก็ดีอยู่ค่ะถ้ามั น, จ, นจะเป็นเราก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นนะคะจาย์เพราะว่าก็ยังบอกว่าเราไม่รู้เราจะจากกันไปเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้ประมาณนั้นนะคะคืออาจจะเป็นว่าอายุโยมมากขึ้นก็ได้นะคะเลยคิดอย่างนี้ได้ะค่ะจัน ก็ไม่ส่วนไม่ส่วนยม่งอายุมากยิ่งเห็นคนตายมากขึ้นเรื่อยๆประสบะการณ์มันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนจะกลัวมากไปงานศพจะไม่ยุ่งเลยแต่ตอนนี้จัดดอกไม้หน้าเมีนก็อยู่เฉยๆกลางคืนก็เฉยๆค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้แทบเครื่องรางของขลังแทบจะไม่พกเลยกลับมามดูสร้อยคอดูดูพระเครื่องยืนมองพระตีนแปดใช่ไหมคะมก็ยืนมองอมเราคงไม่ได้ใ่ไปอีกนาน แต่ว่าบางครั้งก็เอาพระมากัดเตื้ออยู่ค่ะบางบา ง, บางวันค่ะ mm hmm. แล้วก็อย่างกรณีที่ว่าหมาที่บ้านป่วยใช่ไหมคะวันนั้นเขาป่วยมากเลยค่ะยมก็จับเขาแล้วก็เห็นจับเป็นโครงกระดูอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้ดูเป็นโครงกระดูกให้หมดไม่ ว, ว่าจะเป็นคนหรือตัดยมก็จับอ๋อนี่โครงกระดูกเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาค่ะ mm hmm. แล้วก็ตาเขาเนี่ยเหมือนกับว่าติดเชือ้อแล้วก็ตาปูออกมาก็ยืน เมื่อก่อนจะไม่มองแต่ตอนนี้คือเพ่งก็ อ, อยากจะดูว่าเราทําใจกับตรงนี้ได้ไหมก็มองตาเขาเป็นหนองเกาะเอาจกนกระทั่งตาเขาตอนนี้เป็นฟ้าแล้วก็ตาเขาใสาขึ้นนะคะใช้สิ่งใกล้ๆตัวมองแล้วก็ต้อมใจตัวเองค่ะอาจารย์นี่สิ่งที่ได้แต่สมาธิการนั่งมันยังฟุง้งแล้วก็รู้สึกเสียใจแต่พ่อถามมาาันจะบอกว่าที่ฟังหอยอาจาบอกว่าฟุ้งก็ให้รู้ว่าฟุง้ง ให้รู้ตามแปลว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แบบนั้นก็ค่อยมีกําลังใจค่ะจังเนี่ยค่ะรายงานค่ะอะไรมาฟื้นก็ต้องพุ่งถพุ่งถอยลอยพอฟุ้งปุ๊บเรารู้เราฟุ้งเราก็กลับมาใหม่กลับมามดึงดึงกลับเข้ามาค่ะแต่เมื่อก่อนคือแบบจงดหุหนีมากเลยแต่ตอนนี้<ม>คือเรานั่งเราไม่คาดหวงังมันจะนั่งได้ได้ดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการปวดอะไรนี่มันจะไม่เป็นไม่เป็นปัญหาค่ะ ที่เป็นปัญหาตอนนี้คือฟุง้งอย่างเดียวนี่แหละค่ะยิ่งแย่ยิ่งแย่ค่ะอาจารย์เพราะแสดงว่าเราขาดสติท่มันเถึงฟุง้งขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าพอไปทํางานอย่างนี้เราแทบจะไม่มีเวลามานั่งอะไรเลยอค่ะอาจารย์นั่นไม่มีสติควบคุมใจและไปกับงานการต่งางๆค่ะพอฝนตกไม่ได้ไปเดินเลยค่ะอาจารย์ฝนตกก็เลยอยู่กับอยู่กับเนี้ยพยายามวันนี้ตั้งสติว่าจะไม่เข้าเฟซบุ๊กค่ะอาจารย์ก็ไม่เข้าอีกครับรู้สึกว่ามัน มันทําให้เราไหลไปกับเวลาเนี่ยนะอาจันอย่าไปดูมันเลยนอกจากธรรมะํารมออย่างเดียวบางครั้งก็เข้าธรรมะล้วค่ะแต่บางอื่นมันเด้งขึ้นมาเราก็เตลิดนะคะแล้วก็แบการเป็นธรรมเมาไปเลยใช่ค่ะก็เลยการเป็นธรรมเมาไปเลยใช่ค่ะเลยไม่เข้าดีกว่าค่ะเลยถอยมาดีกว่าเดี๋ยวให้มีสัจจะให้มากกว่านี้ค่ะยังแย่อยู่ค่ะจันพยายามมากเลยอย่างน้อยรู้คุนรู้โทษนะว่าอะนรเป็นคุนอะไรเป็นโทษนะอ่า อาจารย์ว่าอาจารย์คะขอบพระคุณอาจารย์นะคะอ่าค่ะอคุณเท่กจะมาบอลดอนเมืองอันนี้อยู่ที่ไหนคขับรถอยู่การนวัตกกรงกับพระอาจารย์ใช่ค่ ะ, คะอะกําลังกลับบ้านค่ะพระอาจารย์อมืมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามค่ะเขามากราบความธรรมกับพระอาจารย์ยค่ะยังเดซินแบนอยู่ยังถือค่ะ ใช่ค่ ะ, ะยังผืออยู่ค่ะอาจารย์โอเคทำต่อไปนะของอย่ค่ะค่ ะ, ะสะธุค่ะพอาจารย์กับขอให้พระอาจารย์พากันแข็งแรงนะคะญาติค่ะค่ะคุณสารกาชัยนาทมาฟังธรรค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคยังก็ผ่านไปเลยนะคนเยอะเดี๋ยวเวลาไม่พอค่ะคุณอาอนอนท์นงจันท อัตม์อ่าครับนรมาสการครัอาจารย์วันนี้โยมก็ไม่มีคําถามอะไรเหมือนกันค่ะเข้ามาฟังทําฟังไปก่อนแล้วกันนะอาจารย์ค่ะไปที่คนยศยศสวัสดีนรมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะที่ไปนั่งนั่งกับอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมอ่า ที่ไปกับพระอาจารย์มาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะที่ไปกับสามีที่บอกเป็นเพื่อนคุณดิศยาที่นราธิวาสแต่ตัวค่ะค่ะค่ะก็มีคําถามอขอรายงานนิดเดียวค่ะพระอาจารคือเมื่อวันที่กลับพระอาจารย์เสร็จนะคะด้วยความที่อาจจะนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ด้วยตอนนั่งรถกลับมาใจมันสบายมากๆเลยค่ะพระอาจารย์หนูหนูหนูเรียกว่าความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขอย่างที่เคยเจอที่ สุกแล้วมันเบิกบานนะคะอันนี้มันสุกแล้วมันเฉยเฉยแล้วมันก็จะเรื่องที่ทําให้ใจขุนนะคะแต่มันก็ไม่ขุนค่ะพระอาจารย์ปกติเราจะขุนหนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นอะไรแต่ใจมันนิ่งๆดีค่ะพระอาจารย์เป็นความรู้สึกที่ดีมากค่ะมันเป็นความสุขคนละแบบกับความสุขที่เราได้จากการสัมผัสมูปเสียงดินน้ำต่างๆมันเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางของจิตจิตสงบ น่าจะใช่ค่ะพระอาจารย์ชอบเลยค่ะชอบความรู้สึกแบบนั้น mm hmm. แล้วก็คําถามของหนูคือว่าเวลาหนูสวดมนต์นะคะพระอาจารย์ใจหนูจะมีความรู้สึกสํานึกบุญคุณก็ได้ค่ะของพระพุทธเจา้พาพระธรรมพระสงฆ์อะไรนะคะใจมันก็จะรู้สึกนุ่มๆชุ่มๆอะค่ะแต่เวลานั่งสมาธิอ่ะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าหนูควรใช้ความรู้สึกนั้นเป็นตัวเริ่มต้นในการนั่งสมาธิไหมเพราะว่า ตอนนี้ล่าสุดพอดีชอบคุยกับคุณดิศยาเรื่องเรื่องนั่งสมาธิกันแล้วคุณดิศยาเขาก็เล่าให้ฟังในในส่วนของเขาเราก็เลยไปเอาคําของเขามานิหนึ่งตรงที่ว่าหนูว่าจะมีภาวะหนึ่งที่หนูจะมีความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์คล้ายๆกับวันที่หลังจะกลับมาจากพระอาจารย์นะคะแต่วันที่กลับมาจากฟังธรรมนั้นน่ะจะมีความรู้สึกสบายกว่าแต่ปกติหนูก็จะพบภาวะของความ ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความเฉยเฉยอยู่บ้างในบางกิจกรรมที่หนูทํานะคะพระอาจารย์หนูก็เลยไปเอาตรงนั้นอะมาเป็นจุดเริ่มต้นในการนั่งสมาธิแล้วปรากฏว่ามันมีสติมันมีสติได้เร็วกว่ากว่ากว่าการดูลมหายใจหรือนึกพุโทโธนะคะทีนี้คําถามหนูก็คือว่าระหว่างการนั่งสวดมนต์แล้วใจชุ่มเย็นกับความรู้สึกระ ล, ลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าะคะ่ะ กับความรู้สึกนิ่งๆแ น, แ, น แ, นแน่นๆแบบนั้นนะคะเราควรใช้ความรู้สึกไหนไปไปใช้ในการสวดมนต์นะคะเพราะว่าอีกใจหนึ่งก็เริ่มรู้สึกชอบความนิ่งๆอันนั้นแล้วะคะ่ะพระอาจารย์ด้วยความรู้สึกมันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะคิวไปได้เหมือนกับเข้าของเงินทองค่ะเราไม่ต้องไปกังวลกับความรู้สึกขอให้เรามีสติกับเรากันค่ะให้มีสติอย่า อย่าปล่อยให้ใจไปคิดทุ้งทั้งคิดถึงเรื่องราวตา่างๆเพราะฉะนั้นใช้ให้ฝึกสติไว้ดีกว่าถ้ามีสติแล้วความรู้สึกมันจะตามมาเองแต่ถ้าเราจะไปเอาความรู้สึกจากที่ไหนมันมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสั่งมันให้เกิดขึ้นได้ทันทีค่ะความรู้สึกที่ดีมันก็เกิดจากการมีสตินี่ะใช่ นั่นก็ต้องการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติแบบอืมค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์นั่นการเวลาจะนั่งสมาธิก็ใช้บทสวดมนต์นำไปก่อนก็ได้จนใจรู้สึกจะสบายแล้วก็หันมาดูลมต่อแล้วพุโทโธต่อไปค่ะพระอาจารย์ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เท่านี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุจ่ะอ่าคนคุณฝนนะฝน หลเป็นหลายวันนะใช่เจ้าคะ่ะก็พอดีช่วงที่ไม่มีคำถามลโยมก็เลยหนูก็เลยไม่ได้เข้ามาค่ะจะได้ให้คนอื่นเขเข้ามาถามพระอาจารย์บ้าง น, นะคะแต่ว่าพอดีช่วงวันนี้มีคำถามมาเพราะว่าเหมือนเรา เราไปหลงทางลูกเสียงกิรรถผลทาพาัฒมากไปหน่อยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังคงปฏิบัติแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้การนั่งสมาธิของเราไม่ค่อยดีใช่ไหมคะหนูก็เลยหาวิธีแบบโอเคถ้าเกิดนั่งเราไม่ค่อยสงบหนูก็เลยใช้วิธีฝึกสติด้วยการนับพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามพุโทโธสี่อะค่ะจนบางวันก็ ก็ไม่ได้นับตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็ขนาดไม่ได้นับตลอดเวลาก็ยังรู้สึกว่านับพุทโธไปได้แบบห้าร้อยกว่าครั้งอะคะ่ะแล้วเราก็สองวันนี้ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนนอนเพราะว่ามันนั่งสมาธิแล้วมันเราไม่ค่อยสงบ ก, ก็เลยใช้วิธีลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนนะคะแล้วก็ค่อยไปนั่งต่อะคะ่ะซึ่งมันก็ยังยังยัง เหมือนยังนั่งได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่อะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะเรียนว่าก็ไม่ได้ท้อถอยอะค่ะเพราะว่าเหมือนพระอาจารย์เคยบอกว่าบางทีมันก็เหมือนอย่าไปคิดเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วว่าเออเรารู้สึก g u i l t ้ guilty, ว่าเออเราพักนี้เราเราปฏิบัติได้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ไม่ก็เลยยังเหมือนไม่หยุดอะคะ่ะถ้าไม่เมื่อก่อนอาจจะหยุดไปหลายหลายวันหน่อยหรือหยุดเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ว่าก็เหมือนที่พระอาจารย์สอนสั่งว่าทิ้งมันไปแล้วก็ให้ ยังคงคิดในการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็มีช่วงขึ้นลง้นลงะค่ะการปฏิบัติถ้าเรายิ่งไม่ยิ่งไม่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมันก็จะทําให้ปฏิบัติบางครั้งก็ยากเวลาที่เราหยุดไปแล้วกลับมาทําใหม่แต่ถ้าเราอยากทำอย่างสม่ำเสมอนี่มันก็มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พยายามหยัดหยัดทิ้งถ้าเราปฏิบัติแล้วพยายามทําไปเรื่อยๆจะดีกว่า ถ้าทิ้งมันไปเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนมันก็เหมือนกับมันเริ่มต้นใหม่มันก็ยากแล้วบางทีเราลืมไปว่าการปฏิบัติต้องใช้สติเรามานั่งคิดเราใช้ความอยากอยากให้มันเป็นแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนยิ่งอยากไปให้เหมือนเมื่อก่อนมันยิ่งไม่สงบใหญ่อืงนันต้องกลับมาที่สติเป็นหลักการปฏิบัติอดีตที่ผ่านไปแล้วมันจะดีเป็นแบบไหนก็ตามถ้าเราอยากจะให้มันเป็นใหม่เราต้อง ใช้สติอย่าไปใช้ความอยากค่ะผมก็ถึงต้องเข้ามามันก็เลยต้องใจว่าวันนี้ยังไงต้องเข้าซูมอะค่ะเหมือนเหมือนมาเติมไฟอ่ะค่ะเหมือนมามาสร้างแรงผับดันนะคะให้ต้องทําต่อไปเนี่ค่ะบางทีเราลืมไปได้ว่าการปฏิบัติของเราจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวสติเนี่ยเป็นหลักบางทีจิตมันไปคิดถึงการบฏิบัที่ผ่านมาที่มันดีแล้วก็อยากให้มันเป็นเหมือนอย่างนั้นนี่แต่มันก็ไม่เป็น ว่าเราไม่ได้เจริญสติเหมือนเมือม่อคราวที่แล้วที่มันเป็นใช่จ้ะค่ะมันก็มันก็เลยส่งผลนะคะส่งผลว่าให้แบบนั่งสมาธิได้แบบไม่เท่าเมื่อก่อนแบบเนี้นะคะ่ะแรกๆก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทิ้งะคะ่ะเหมือนที่พระอาจารย์สอนไว้ว่ามันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปก็อย่าไปทิ้งอะไรแบบนะะี้ค่ะหนก็เลยต้องวันนี้ยังไงก็คิดว่าต้องเข้าสู่มาเพื่อให้แบบพระอาจารย์สอนสั่งเราจะได้เป็นแรงผลักดันต่อไปอ่ะค่ะ ไ้ก็ทำต่อไปยาก ง, ง่ายเลยได้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่เราต้องหบันเริญสติฝึกสติไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวตามใบผลมัน้นจะปากฏอขึ้นไหมค่ะอค่ะได้จ so ้าค่ะกวันนี้ก็มีคำถามกับเรื่องที่จะรายงานพระอาจารย์เพียงเท่า น, นี้ค่ะออกสั้นๆรอถ้าเป็นไปได้พยายามอย่า อย่าอย่าหยุดเอคยทําเวลาไหนช่วงไหนใช้ทำก็พยายามทําต่อไปอย่าให้เหตุการณ์ต่างๆมันมาบีบบังคับให้เราไม่ทําอ่ำถ้ามันามันจําเป็นจริงๆก็กก็กก็อนุโลมไปแต่ควรจะกลับมาชดเชยหาเวลาไปทําชดเชยมันจะได้ไม่ขาดทุน่แล้วมันจะได้ไม่ขามีปัญหาเวลาที่เรากลับมานั่ง เวลาเราทำคราวหน้ามันก็ยังจะทําได้เหมือนคราวที่แล้วอยู่ค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าค่ะต่อไปโอเคสาธุค่ะเก่าของอคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอ่าคุณจุ๊บที่โกเบ ง, ง่ายๆนั่งสมาธิคนเดียวได้อย่างัน่ต้นองว่างคนเดินบางทีก็กลับเข้าไปกลับเข้าไปในกลุ่มบางทีนะคะพระอาจารย์อื นั่งสมาธิไม่ใช่เหมือนไปเต้นรำนะถ้าเต้นรำมันต้องมีมีกลุ่มเต้นด้วยนั่งสมาธินั่งคนเดียว่ดีที่สุดนั่งคนเดียวดีที่สุดใช่ไหมเจ้าคะจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของคนอื่นนะนั่งเราไปนั่งมากนั่งน้อยแล้วก็นั่งไปเลยถ้านั่งคนอื่นเดี๋ยวถึงเวลาถึงเวลาต้องแยกพร้อมๆกันแล้วอะไ ร, ะไรแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ที่ที่เขาน่าเป็นกลุ่มดีตรงที่ว่าคือเวลาที่พอครบชั่วโมงอะค่ะก็จะมีะระฆังเป้งมาทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวมันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องลืมตาแล้วเลยเงี้ยจังแ่นั่งจริงๆเราไม่ต้องการจะจะให้กันเด็กมามาบอกให้นอเริกมะคะอ่านอนั่งนั่งไปถ้ามันดีก็นั่งต่อไปไม่ต้องไปรอกันเด็กเราว้า น, นอนะระฆัง ก็คือก็คือไม่ควรไม่ควรที่จะเอาจับเวลาไว้ว่าอันเนื้อครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนอกจากว่าถ้าเรามีจุลัต้องต้องเลิกก็ไปอย่างแต่ถ้าไม่มีทุลัก็นั่งไปเรื่อยๆต้องให้หนาที่สุดนั่งก็น้ง่งนั่งไม่ไหวเองพักเลิกเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์จริงๆวันนี้หนูมีคําถามมาถามพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่า พูดขึ้นมาว่าการถือสินแปดเป็นของดีหนูหนูก็หมดคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์คือคือคือจริงๆแล้วหนูตอนนี้หนูลังเลสงสัยมากๆเลยว่าที่ที่หนูทําอยู่นี่มันคือดีหรือยังคือช่วงพันอเข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะหนูถือสินแปดนะคะพระอาจารย์มืม้อเย็นหนู่านนะคะอืแล้วพอออกพรรษามันก็ครบประมาณเพราะมันก็เดือนพฤศจิกาพอดีมันก็เป็นเดือนเกิดหนูนะคะปกติหนูก็จะ ไปบริจาคเลือดนะคะพระอาจารย์ก็คือปีนึงจะพยายามบริจาคให้ได้ประมาณสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ปรากฏว่าพอออกพรรษาปุ๊บหนูก็ไปบริจาคเลือดคราวนี้ยค่ะพระอาจารย์ปรากฏว่าตอนที่ไปตรวจเลือดก่อนที่จะบริจาคอะคะ่ะเช็คเลือดมาความเข้มข้นของเลือดหนูอะคะ่ะมันไม่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะเราอดอาหาร อดอาหารเย็นเป็นเวลาสามเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าเป็นเพราะเห็นนี้หรือเปล่าแล้วคุณพี่พยาบาลเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะเธออไปเธอลดอาหารลงเธอไดเอทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้หนูมีความลังเลสงสัยว่าที่เราทํามาเนี่ยมันมันโอ้มันดีไหมจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาสอนให้เราให้แบบและ ว, วางธาตุขันใช่ไหมคะพระอาจารย์ หนูก็เลยแบบไม่รู้ว่าควรจะกลับไปทานมื้อเย็นเหมือนเดิมดีหรือว่าหรือว่าถือสินแปดต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อถ้าเราต้องการที่จะฝึกสมาธิแล้วก็สินแปดมันจะช่วยให้การฝึกสมาธิของเราง่ายขึ้นได้ผลดีขึ้นไปกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นแล้วมันจะกลายเป็นอุปสรรคเวลานั่งสมาธิแลมันจะขี้เกียจมันยังมันยังง่วงนอน เข้าใจไหมก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราแค่อยากินเพื่อจะได้เอาเลือบไปบริจาคอันนี้ก็แค่ขั้นขั้นฐานแต่ถ้าเราอยากจ ะ, อ, ะอยากได้ทําที่สูงกว่าคือการภาวนาได้สมาธิเราก็ต้องอดเจ้าค <Okay>. oh. ่ะหนูแต่เราเราเราทําขั้นต่ำํำไม่เอาทำขั้นสูง ถ้าอยากทำขั้นสูงก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องทำบุญทับทานถ้ามันมันเป็นอุปสรรคทําไม่ได้ก็อย่าไปทํามัอนท่านนี่ไม่หนูจะเอาทําขั้นสูงค่ะพระอาจารย์อทำขั้นสูงก็ไม่ต้องกังวลกับทับทานถ้ามันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําทําทําทานอย่างอื่นทานทานก็ได้อมีเงินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเขาไปแทนก็ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะดีใจที่ได้มาถามพระอาจารย์ วันนี้ค่ะพระอาจารย์เพราะไม่งั้นหนูก็จะลังเลในใจหนูตลอดเวลาเลยค่ ะ, ะสิ่งแต่มันยากกว่าทําทานตลงเยอะๆอะทําทานนี่ก็ดีเข้าทางกิเลสกิเลสจะได้กินข้าวเย็นนะกิเลสมันก็เราจังหวะอยู่แล้วค่ะคือปัญหาความอยากอยากในรูปเสียงกินรสของอาหารแต่เราต้องหาความสุขที่ดีกว่าความนี้ความสุขที่ได้อยากกินเย็นหนานเย็นก็คือการเข้าสมาธิ การเข้าสมาธินี่มีความสุขที่ที่มีน้ำหนักมากกว่าวันนี้หนูมีคำถามเท่านี้ค่ะพระ<า>อาจารย์ถ้ารักษ า, ารักษาสินน้นแปลได้ก็รักษาต่อไปรักษาเพื่อสนับสนุนการนั่งสมาธิของเราเจ้าค่ะหนูจะพยายามค่ ะ, อะขอบคุณพระอาจารย์มากมากเจ้าค่ ะ, ะไปที่อาจารย์สายทิพย์อรแกนนะตอนนี้ไม่ได้ไปมาสา ข, ขาเพราะ กับนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้กลับมาขอนแก่นค่ะพวกนี้ไปมหาสารคามใหม่วันนี้มีมีเวนกลับบ้านค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ช่วงนี้นั่งนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แต่ว่าศีลเหลือศีลหกมั่งเจ็ดมั่งก<อ> <laughs> ินข้าวแก้มอยู่อีกแล้วค่ะงานนะ ง, งานเยอะหิวข้าวค่ะพระ <laughs> <laughs> อาจารย์ลองลองให้มันหิวไปดูมันจะตายลย อืมเอาใหม่ใช่ไหมคะล้มลม้ลมลุกๆุค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้คุยกับคุณพ่อเรื่องความตายกันค่ะพระอาจารย์คุยกันโดยความสนุกสนานว่าเออถ้ามันถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าของคุณพ่อตายเขาก็บอกเพราะว่าเอาก็ล่างนี้มันไม่ใช่ของคุณพ่ออยู่แล้วเพราะว่าพ่อฟังธรรมแล้วมาคุยกับเราค่ะพระอาจารย์ก็ปล่อยมันไปเลยคุณพ่อก็เลยขำ ค่ะพระอาจารย์ก็คุยธรรมะกันทีนี้พ่อเขาเขาเขาสงสัยว่าพอฟังธรรมแล้วให้แบบดูลมหายใจพ่อก็เลยบอกว่ า, าถ้าดูแต่ลมหายใจมันจะได้ทำงานเหรอหนูก็เลยขำเลยบอกว่าดูลมหายใจเอาไว้ตอนนั่งสมาธิถ้าพ่อทำงานพ่อก็ดู ด, ดูกายดูการกระทำอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดูแบบแว่าเราหมายถึงดู เขาเรียกว่าอะไรนะครับการกระทําของร่างกายดูการกระทําของร่างกายสิเพราะมันมันมันต่างกันคนละช่วงเวลาเพ่อก็เลยอ้าวเหรอพ่อฟังมาให้ดูแต่ลมหายใจพ่อก็เลยงงอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยคนคนไม่รู้แล้วก็สอนกันผิดผิดมาเราเลยบอกพ่อว่าพ่อต้องฟังหลายๆอันนะฟัง youtube อันเดียวได้อันเดียวพ่อต้องฟังเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอก็เลยอ้าวเหรออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ แต่ก็คนพ่อก็เข้าทางธรรมเยอะขึ้นค่ะของหนูก็มีมีวันนี้หลายหลา ย, ลายวันที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์เริ่มนึกขึ้นได้เริ่มนึกถึงความตายค่ะพระอาจารย์ว่าเวลาที่ที่เรามีชีวิตเนี่ยมันอยู่อีกไม่นานพอไม่นานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเหมือนอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นหรือทำทาบุญให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะ แต่คนที่จะรีบทำให้ให้ให้ดีไม่ต้องมีไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนอุทิศบุญกุศลก็คือทำดีกับเขาไปเลยเพราะว่าถ้าเผื่อเราเราตายไปเร็วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำดีให้เขาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันทำให้มีเมตตาได้มากขึ้นไม่ไม่คิดเยอะค่ะพระอาจารย์ใจก็เลยก็เลยเหมือนแบบทาทาท ำ, ทำ ทําดีหรือว่าเมตตากับคนอื่นได้มากขึ้นไม่ไม่ไม่ไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะลัทิว่าถ้าเผิดเราตายไปเราก็จะอ่ทําบุญให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําตอนมีชีวิตอยู่นี้เลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใจก็เลยสบายสบายดีค่ะดีใช้ความเมตตาเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนจได้ดับความความโกรธความเกลียดได้ต้อมีความเมตตา ค่ะบอกกันว่าถ้าเขาหรือเราตายไปก็ไม่ได้ทําดีให้กันมันหมดเวลาที่จะทํา mm hmm. ทําให้กันได้ก็เลยทําทําซะเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจ mm hmm. ารย์ค่ะพระอาจารย์ครัหนูมีฝันอันนึงแล้วมันเป็นเหมือนคิดเป็นปริศนาธรมหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะหนูฝันว่าหนูได้มีบ้านพักที่เขาแบบเหมือนเตรียมไว้ให้อย่างสวยงามแล้วหนูก็เอยนี่เป็นบ้านของเราแต่เราก็คิดในฝันก็บอกว่าแต่บ้านหลังนี้ถ้าเราอยู่มันไกลมันไกลจากที่ทํางาน เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เราไม่เอาก็เลยคิดว่าสมว่าเราเรามีตรงที่ที่เป็นความสุขแล้วอะไรเงรี้ยค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานอะไรเงรี้ยค่ะเราก็ไม่เอาเราจะต้องไปอยู่ใกล้ๆก็คือเหมือนปฏิบัติต่อไปตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยคิดคิดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อ่าก็ความฝันก็มันก็ฝันไปตามเรื่องของมัน่ไม่ต้องไปถือเป็นสาระจะดีกว่าอ่ะค่ะการกระทําของเราเป็นสาระใช่ป่ะ เราควรจะทําทอะไรแล้วก็ทำของเราต่อไปโดยการฝันมันจะฝันยังไงก็มันก็ได้ทุกมันก็เป็นไปได้ทุกโลกแบบอืค่ะาไปถือเป็นประเด็นสากันมากจนเกินไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าถ้ายัางตื่นตื่นเร็วก็ลกนั่งสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าง่วงก็นอนต่ออยู่การกระทําของเราด้วยค่ะ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูก็พยายามต่อไปค่ะอ่าโอเคตอนนี้ค่ะสาธุสาธุค่ะไปที่อาจารย์บมไหลเป็นอาจารย์ม์โมรานวัตกรมอาจารย์ค่ะเป็นยังไงอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีดนวัตกรรมอาจารย์ครับขึ้หมอหายยัง คุณหมอหายรอยังยังไม่เจอคุณหมอเจอเจอพ่อออนสาวครับโอใช่อนสาเพรวานอาทิตย์คุณหมอโทรมาบอกว่าได้เรียนพระอาจารย์ด้วยเจอวันสาวแต่ไม่ไม่ได้เป็นไรนะแต่สาวอาทิตย์นี้ยังไม่เจอเจอวันเจอวันสา่ไถามไปค่ะค่ะวันนี้มาเข้ามากาดค่ะมาฟังธรรมกันค่ะไปเลยนะไปแล้วอ่ ไอ้ที่เป็นหมอภาสนะต่อหมอหมอธรรมหตอนนั้นมาสักการสึกาพระอาจารย์ค่ะก็ยังรักษาความสงบได้นะพระอาจารย์ก็รู้สึกเบาแล้วก็โล่งดีพระอาจารย์ก็ปฏิบัติตลอดเสมอแล้วก็เดือนหน้าหาวันได้แล้วนะคะพระอาจารย์ก็จะขนขนไปก็มีทั้งคุณพ่อแล้วไม่เดี๋ยวจะลองรู้นะลู ก, นะ ล, กลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเพราะมันมวันเดียวจะไปที่จังหวัดเลยนะคะอาจารย์เออดี อ็เดี๋ยวจะคือคืออยากไปคือหาช่องตลอดนะคะพระอาจารย์แต่ว่าระหว่างหาช่องยังไม่ได้ไปก็ปฏิบัติตลอดค่ะพระอาจารย์ใช่อย่าไปโม่แย่ไปหาช่องแล้วเลยปฏิบัติไปปฏิบัติตลอดเลยพระอาจารย์เพราะว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยเพราะว่ามันสามนี่คือครบประมาณสามปีที่ทํามันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยพระอาจารย์มันรู้สึกสบายมันโล่งมันรู้จักปล่อยได้พระอาจารย์นี่น่าเลยขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์ อ่าป เ, เป็นนิ้วเด็เคียงรายต่อแต่งนวมรสมรจันพระผมอ่ามีนลครับก็สัปดาห์นี้ก็เข้ามารับฟังพระอาจารย์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอ่อเป็นสัปดาห์ที่ที่มีความสงบสทั้งเจ็ดวันนะครับ่ระอาจารย์อตอนเช้เาแล้วก็ตอนเย็นนะครับอาจารย์ครับเพราะปกติคั้งก่อนเออปีก่อนหน้านมันจะมีอยู่วันหนึ่งครับพระอาจารย์ ตัวนี้วันวันโกนหรือเปล่าครับอาจารย์ครับจะมีอยู่วันมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะครับแต่แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือมันเจ็ดวันแล้วก็มันเข้าสมาธิไดน้นิ่งอยู่ครับอาจารย์ครับอืมเลยวันนี้ก็มากรบเรียนพระอาจารย์ครับพยายามพยายามฝึกสติเรื่อยๆสติจะทำให้ทุกอย่างมันสงบถ้ามันมีสติมันก็อจจะทําให้จานท์มีนิ่งครับผมแล้วก็มีมีอยู่มีอยู่ มีอยู่คืนหนึ่งครับอาจารย์ประมาณคุอปกติผมอาประมาณสองทุ่นี้โหยนั่งสมาธิจะถึงสามทุม่มสามทุวมกว่าสีท่ทุ่มอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ก็มีอยู่วันหนึ่งก็พอดีนั่งคุยกันนะคะอาจารย์แล้วก็นั่งไปนั่งมาก็นั่งขัดสมาธิอาจารย์ครับมันมันมันเหมือนกับสมาธิมันเข้ า, ขาครับพระอาจารย์มันเหมือนกับเรานั่งสมาธิทั้ทงที่ไม่ได้หลับตาครับอาจารย์นั่งเงียบไปปุ๊บมันเหมือนกับอืมเหมือนเข้าสมาธิเองเลยครับอาจารย์ เปลี่ยนไปได้ในที่มันเข้าเองโดยที่เราไม่ได้รับแรงได้ได้เปลี่ยนเมื่อฝนลง่อยๆบางทีถึงเวลาก็จะเข้าอ๋อเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเพรอะนเราปฏิบัติเป็นช่วงช่วยหงจากช่วงนั้นเรามองแคไม่ต้องปฏิบัติมันก็จะเข้าไปเองอ๋อเข้าเองนะครับพระอาจารย์อได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนะถ้าไม่ยุ่งกับใครนะขำขำแต่นี้พอดีว่านั่งนั่ง นั่งคุยกันก็คือมัอนเป็นช่วงที่เงียบอะครับนั่นไม่ได้คุยอะไร อ, อะไรกันนั่งกันสองสามคนตเงนี้ยอมันลงเองครับอาจารย์ข้าวเป็นวบบห่ผมก็ยังแปลกใจเผมก็เก็บคำถามไม่ได้ผมก็มาเรียนกับพระอาจารย์ว่ามันมันมันใช่ไหมที่มันลงเองเนี้ยครับอาจารย์ครับอลงเองก็ได้อืาเข้าครับผมครับก็ก็มีมากับเรียนพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติอยูอ่ครับทุกวันครับอาจารย์ครับ มันเป็นอะไรก็รู้ต่างความเป็นจริงไปก็แล้วกันครับผมครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณพระอาจารย์อย่สูงครับผมอ่าอ่าทุกทานุครับคุณซันนี่แบงค์ครับานกรนวัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้เข้ามาฟังธรรมไม่มีคำถามค่ะโอเคที่ไปที่อาจารย์คุณหมอสุรัตน์สน่ห์ประอิบาลนี นามสกัพนพันพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าค่ะอ่าสาธุตอนที่คุณตายพัทยาตายปฏิบัติอยู่ปะงามการนามสกันครัพระอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติค่ะแต่ก็รักษาสัจดิที่พูดไว้กับพระอาจารย์ตั้งแต่ อ่าตอนออกพรรษาค่ะว่าไม่ดื่มไม่ดื่มแล้วก็ทำได้ประการอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้ดื่มเลย เ, เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเขาชวนชวนก็ไม่ดื่มก็ก็เขาดื่มกันตรงหน้านั่นแหละค่ะนูไปเขาก็มาทุกวันแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคาว่ามาคงจะบวชละ อเอาว่ะเองวด น, นี้มาของอย่างของได้เจอแค่นี้หรือเปล่างวนหน้าตัดงวดได<อ>้ก็<บ>ดีเลยบวบบวบหด้ากยังยังก็เลยหัวเราะบอกว่ายังยังแค่ไม่เดือดเฉยแต่ว่าก็จะทิ้งกันแล้วกันก็มันมีอยู่ไม่กี่คนเลอาจารย์อืแต่ก็ทําได้ค่ะแล้วก็คิดว่าจะทําตลอดไปก้าวข้ามเอาข้ามมาได้นะคะอาจารย์นอย่ากลับไปนะก็ค่ะ หลุดแล้วก็อย่าตับเข้าไปในในข้องในกงองเลยนะคะพระอาจารย์นี้มารายงานพระอาจารย์แค่นี้ค่ะโอเคทําอะไรเพิ่มได้ก็ทําทําต่อไปด้วยนะฝึกสติดได้ก็ฝึกองฝึกสติ ด, ดูตื่นขึ้นมาหรือจะพุโทโธนัน่งานั่สักเท่าไหร่้ะคะพระอาจารย์โอเคนีสาธุจ่ตคุณมาเลยคุณมาเลยนี่ปฏิบัติอย่างสบายนะ เข้าเข้ารอบเข้ารอบค่ะหลวงพ่อคือก็ไม่จริงๆก็ได้ยังมีคําถามมากเท่าไหร่ค่ะก็ไปวันหยุดก็ไปวัดมาค่ะหลวงพ่อดีค่ะแต่ว่าเวลาน้อยไปนิดนึงไปเจอน้องจาด้วยค่ะน้องจาที่ท uh ี่เข้าสู่มาค่ะที่มาจากทาะเทศค่ะไปเจอที่ไหนนะที่วัดป่าสุกใจบางกอกค่ะวัดป่าสุกใจดีค่ะค่ะ เป็นยังไงว่าตา่อสขจจดีไหมดีค่ะแต่ว่าเวลามันได้นิดเดียวค่ะมันหยุดมันมันแค่ต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ไปก็กได้ได้ค่ะดีดีค่ะคือถ้ามีเวลามีโอกาสเนี้ยตอนเนี้ยหนูหนูว่ามันรู้สึกดีดีดีตลอดค่ะแม่พ่อยิ่ง<ะ>ยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นมีก<ม>ิจกรรมอะไร เขไม่กิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะเขาคือพอดีช่วงสาร์าทิตย์นี้มีมีทอดทอดกรถิ่นนะคะหลวงพ่ออืมีทอ ด, ทอด ก, ก ร, ระถิ่รรนะค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าปกติอ่ะเขาก็จะมีวัดเช้าวัดเย็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็มีมิกวาดตอนตอนบ่ายสามะคะ่ะหลวงพ่อพ อ, อช่วงช่วงที่ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรก็เข้ากลุ๊ของใครของเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็อปฏิบัติก็ อยู่ไปเลยค่ะเป็นที่มีมีทางจงกรมให้มีอะไรเงี้คยค่ะหลวงพ่อแ ต, แต่วันเย็นนี่มีมีพระทำด้วยหรือเปล่าทําด้วยกันเนี่ยมีมีทําด้วยค่ะหลวงพ่อทําแล้วก็นั่งสมาธิด้วยค่ะอืมทำํทำทําเสร็จก็นั่งสมาธิที่ พ, พระพระทนก็นั่งด้วยค่ะอืแล้วเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันค่ะปฏิบัติของใครของเราพอกลับมามองเห็นอะไรก็รู้สึกว่ามันเหมือน มันไม่ค่อยมีคุณมีค่านอกจากธรรมะของพ่อมันมุ่งไปแบบเนี้ยค่ะหลวงพอมัน ม, มันเห็นแล้วมันมันปัดออกไปหมดเลยอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันเป็นตายลับหมดเห็นอะไก็เห็นว่ามันเป็นตายรับไปให้หมดค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยยิ่งกลับมามีก็เลยมีความคิดว่าตั้งแต่เกิดจนถึงณตอนเนี้ยเราถูกฝึกให้คิดให้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ ให้เราอยู่คิดแล้วให้กลับมาอยู่กับตัวเองหนูไม่ค่อยเห็นใครสอนว่าเออดารงชีวิตแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยไปในทางแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมีแต่สอนให้เออ้องเรียนต้องแข่งต้องขันต้องทํางานต้องพอมามองย้อนจริงๆมันเหมือนเราไม่เห็นเราไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรเลยค่ะหลวงพ่อถ้ามาเทียบกับธรรมะอย่างนี้ค่ะหนูมันเหมือนแบบ เออจริงเนาะไม่ไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเท่ากับขันมาชังเนี้ยเลยค่ะหลวงพ่อมันมันทําให้หนูมีความคิดเออทาไมทําไมเราถึงมองไม่เห็ น, นตั้งแต่ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราถูกอวิชชาโมหะอวิชชาปิดกั้นไว้เนี่ยมองไม่เห็นต้องาสายปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้ามามาปล่อยมันให้มาค<อ> แล้วมีความรู้สึกว่าพอเราหาเราเราทําอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่แท้จริงอะค่ะหลวงพ่อมันก็พอพอได้มาเดี๋ยวมันแป๊ดเดี๋ยวมันก็ไปมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันสุขในใจมันเมีมมความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปแล้วก็ทําให้เราอยากใหม่อยากได้ใหม่กนดิ้นรนไปเรื่อยๆ มันเหมือนมันไม่หยุดเลยมันต้องผ่าจบตรงนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเวียนไปบนใหม่มันไม่อิ่มไม่พอความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอใช่ใช่แต่พอเราหันกลับมามาทางเนี้ยมันรู้สึกว่าเออมันมันได้อยู่มันได้อยู่มันได้พักมันได้อธิบายหนืออธิบายไม่ถูกค่ะเพราะมันมันแตกต่างกันมันได้ความอิ่มความพอใช่ไหมมันไม่หิวลดความอยากลงไป ก็มีประมาณประมาณแล้วจะไปเรือยๆอยู่ใกล้ๆกรุงเทพวันนี้ก็ไปได้บ่อยเนะยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหนูจะไปอีกละค่ะหลวงพ่อไปที่ที่ตลับบุรีอะค่ะอืเพราเป็นเป็นวัดแบบใช่ค่ะหนูใช่ค่ะเขาเขาบอกว่าเพิ่งเพิ่งจะทําเสร็จอย่างเงี้ยค่ะมีที่ปฏิบัติเนี่ยหนูจะลองไปดูอะค่ะหลวงพ่อ เพราะว่าน้องต้องลองที่ใหม่ๆนั่นแะค่ะเขาบอกว่ามันอยู่แบบเหมือนบนเขาบอกหน้าปฏิบัติอะไรเนี่ยบสงบอะไรอย่างนี้หนูหนูจะไปดูแล้วก็จะไปช่วงเสาร์อาทิตย์ประมาณต่างๆเดือนธันมาค่ะหลังจากที่หนูขึ้นที่เขาไปเขาที่โอลิันที่เก้าสิบสิบเอ็ดแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะรู้ลงมาแล้วก็จะไปต่ออ่าโอเคโอเคหลวงพ่อหนูขอถามอีกนิดนึง คือหนูสงสัยว่าที่วัดป่าวัดปฏิบัติพระท่านนี้จะมีผ้าผืนหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อที่จะถือมาปูที่นั่งอันนี้มันหมายถึงทําไมถึงต้องต้องปูทับที่นั่งด้วยอะ่ะคะสมัยก่อนพบางทีท่านนั่งกับพื้นเนี่ยพื้นพื้นดินพื้นหญ้าไม่ได้เลยต้องมีผ้าปูกันไม่ให้จีวรเปื้อนท่านเลยก็เลยผ้าอาสนะ แต่ลยไป<ต>ทำปก็ทําตามมาปัจจุบันเรายืนที่สะอาดแต่แลราก็ทํากันไปทำทําเนียมตามพระวินัยเป็นกฎระเบียบของพระสมัยก่อนพระเป็นพระ ป, ป่าอยู่อยู่ในป่าหรืออยู่อะไรเงี้ยเวลาครูบาอาจารย์เลียกฟังธรรมมันก็อาจจะไม่มีศาลงศาลาเหมือนสมัยนี้ใช่ไนหะมก็นั่งบนหญ้าบนพื้นอะไรกันไปก็ต้องมีผ้าปูไว้จะ จีวรจะได้ไม่เปื้อนไงถ้าเปื้อนก็สักแต่ภาพผืนเดียวเล็กเดี๋ยวเอาไพักสร้าภาพจีวรต้องผืนใหญ่นูนเห็น้าท่านถือกันมาทุกโอ้แล้วก็เห็นภานะเห็นท่านภาจะมีจนมีไฟฉายแล้วก็มี้าปววสนะเวลามาตอนเย็นนะครับ แล้วตอนที่หลวงพ่อเทศน้ากรูหนูก็เห็นเห็นหลวงพ่อปูหนูก็เลยนี่ทําไมรปูเป็นตามธรรมเนียมทั่านั้นเองมันไม่เพลินแต่ก็ปูไปเท่านี้ไม่ปูเลียวโดยก็ว่าคนที่หลวงพ่อมันถ่ายมันถ่ายทอดสดมันถ่ายทอดสดคนเห็นหมดเอยาหลวงพ่อไม่นั่งไม่มีผ้าปูอัสนะผิดพราะไม่ในในวันแล้วมีอีกผืนนึงค่ะหลวงพ่อที่ปิดบาดคะอ่ะค่ะที่มีปิด ติดบาดค่ะ อ, อันนั้นมั น, นเป็นเป็นตลกบาดมันก็ให้ดูให้มันเรียบร้อยไงเวลาที่เวลาตอนตอนที่เอาอาหารใส่ใส่บาดแล้วเอ้<ข>าอันนั้เป็นผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือผ้าผ้าบาดจะฉันด้วยมือจะไม่ได้ฉันด้วยช้อนมือแล้วก็เวลามือแล้วข้างๆ้างข้า ง, ข, างข้างบาดจะจะมีฝาบาดแล้วก็จะจะเทน้ําใส่ไปในฝาบาดเวลากินแล้วมือเปื้อนก็ น้างมือใน้าบาดน้ําใน้าบาดแล้วก็เอาผ้าผ้าที่ปิดบาดนี้ออกมาเช็ดเป็นผ้าเช็ดมือแล้วก็เป็นผ้ากันเวลายังไม่ได้ฉันก็ปิดไว้ก่อนกันฝุ่นการแมลงกันอะไรที่มันจะเข้าไปอเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อหนูสงสัยมานานมากแต่ไม่ไม่กล้าถามใช่เลยพอดีไปคราวนี้เห็นผ้ามาเยอะแล้วเห็นซื้อกันมาทุกองค์เลยนะคะหลวงพ่ออันนี้เป็นธรรมเนียมเวลามาประชุมกัน มันเป็นดางคืนแล้วก็<ช>ไม่เอาไปฉายมากันเพราะประชุมเสร็จมงงันงืดเราองใช้ไปชาเพราะในวัดป่าก็จยังไม่มีไฟฟ้ า, ไ ม, ม ไ, ฟฟาไม่มีไฟตามทางเดินค่ะไม่มีไฟค่ะอืมค่ะวันนี้หนูมีห้องเนียค่ะหลวงพ่อโอเคสาธุจ้ะขอบคุณค่ะสาธุจ้คอคุณแม่น้องเลนแม่น้องเล น, น พระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินได้ยินอยาค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคําคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ฟังเหมือนกันอ่าฟังไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุยินดีเลยค่ะเพราะคนยังเยอะอยู่ในเวลามันจะไม่พออ่าน้องแนนคุณแานจากอุณหทานี้เอาะสครั้ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะ Okay. มันอาจารย์มันแมตอบมตนแปมมัมอยู่ที่ไหนนะหลือเปานะเจ้าค่ะที่ไหนนะพัทยาเจ้าค่ะพัทยาโอเคเข้ามาวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามากลับพระอาจารย์มาเติมพลังเติมกำลังใจเจ้าค่ะโอเคสาธุสาธุปัติศนรัทธ<อ>า สายเทอร์ราส์ LA c a l อ f o r n i a โลกนี้มันเดี๋ยวนี้แคบมล้วก่อนนะี้มันอยู่ที่อะไรปฏิยากับเอก็อยู่ติดกันค่ ะ, ะกล่าวนมัสยมศกึกษาพระอาจารย์ได้ยินลูกชัดเจนใช่ไหมคะได้ยิ น, นค่ะก็ไม่มีคําถามคะ่ะพระอาจารย์มาร่วมรับฟังคะ่ะมาชาร์จพลังคะ่ะพระอาจารย์ชาร์จด้วยแดดก็ยังปฏิบัติ บูชาเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ไม่มีลดไม่มีถอยค่ะพระอาจารย์พยายามทำให้เป็นคนขึ้นมาเรื่อยๆนะค่ะพระอาจารย์ยันยนย่อยนยานค่ะพระอาจารย์น้อมนำค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะใคที่คนยินดีแคนซัสหนาวช่วงนี้แคนซัสโอเคค่ะอาจารย์หนาวมากค่ช่วง thanksgiving อะค่ะก็ มาหนาอยู่ค่ะแล้วก็ลบเก้าวันเนี้ยค่ะค่ยยงชั่วค่ะลบสามก็ไม่มีอะไรค่ะถ้าอาจารย์มาร่วมบังทำค่ะส่วนการปฏิบัติของหนูก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้ขาดก็ตามที่ท่านอาจารย์เคยสั่งไว้ค่ะก็ส่วนเดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ลูกกับเดวิดก็เข้ามากราบบอลซองเต๊้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ค่เมสซี่โปรกูเหมือนเดิมนะ ค่ะาจาย์ขอพระคุณจระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโอเคอะไรที่เกิดวิลายพรเป็นหญิงโยมหญิงเป็นยังไงสบายดีเลยสบายดีค่ะพระอาจารย์น้องกะนิมมตสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เพิ่ามากราบพระอาจารย์แล้วสั่งทำแล้วก็ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกวันค่ะพระอาจารย์โอเคนะอย่ร้อนละนะ <c oughs> ค่ะสาธุค่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะหย่อนในการทานอาหารเย็นต่อไปจะพยายามละละค่ะนี่สาทุค่ะพระาจารยอไปให้คุณปุ้ยรักสมบร์ิถามน้สมันสกัด้าค่ะอาจารย์อามีอะไรไหมอืมไม่มีค่ะเบียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ เออ่โยมแบบว่ารู้สึกมันสติมันแบบว่าไม่ค่อยนิ่งอะฮะพระอาจารย์อืมคก็สติไม่ดีจิตเลยไม่ค่อยนิ่งมันมันไม่มันไม่ใช่เออมันเหมือนกับเวลาทําสมาธิแล้วบอกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรมันมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบอยู่ๆมันก็หนูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโยมก็ไม่ได้ลืมตานะโยมก็ ปล่อยให้ตัวเราอ่ะนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆแต่มันมันรู้สึกแบบมันจิตมันไม่นิ่งหรือไงอย่างเงี้ยอ่ะฮะอธิบายไม่เป็นมืนไม่ภาวนาอย่าไปนั่งเฉยๆนั่งนั่งพุทโธแล้วดูลมไปด้วยใช่โยมโยมพุทโธโยมดูลมไปค่ะก็ทําไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เรามาพุทโธมีการดูลมไปก็แล้ักันอ่าเนี่บางทีมันก็บางทีก็อาจจะได้ ได้สงบบางทีก็ยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรนะขอให้เราอยู่กับพุโทโธอยู่กับการดูลงไปโยมก็ถูกกิเลสมาควนโยมหน่อยแต่ว่ามันมีคนมาลองอ่ะโยมคือเหมือนกับว่าเหมือนเขารู้จักเรามานานแล้วเลยทีนี้เขาก็พยายามที่จะมาแบบเหมือนกับว่ามาขอเราเป็นแฟนอะไรงนี้เราก็เราก็เลยปฏิเสธไปแบบตรงๆไปเลยแต่ให้ผูพลาะให้สุภาพมาก คือว่าฉันจะอธิบายให้เธอฟังว่าฉันเดินมาทางธรรมแล้วและฉันมีสัจจะฉันตั้งสัจจะแล้วฉันจะเดินทางธรรมต่อให้เธอรวยจะอเอาเงินมากองฉันก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็เลยบอกเขาอธิบายให้เขาฟังว่าเป็นเพื่อนนะนนะเป็นครอบครัวมีอะไรฉันรับฟังเธอได้ฉันรับฟังแต่อย่ามาโทรมาป่วนฉันฉันเป็นโรคส่วนตัวสูงคือมันสุภาพไหมคะถ้าเราทําอย่างเนี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะคิด ดีไปก็แล้วกันุ่เดีไปคใช่เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเาก็คิดว่าเรานี่แปกคนเนาะเอาเงินมากองเราก็ยังไม่สนใจแล้ก็บอกว่าคือเราเดินผ่านตรงจุดนั้นมาเยอะแยะแล้วและอย่างหนึ่งเราไม่มีความลำบากอีกอย่างหนึ่งคื อ, อนในเมื่อเราอาจจะไม่ถูกใจเรามันไม่ใช่างานงานทำหรือเปล่า <laughs> <laughs> มันมันไม่ม มันมันไม่ใช่อ่ะอาจารย์เดวเกิดไปเจอคนถูกใจเข้าเนี่ะจะเปลี่ยนใจก็ได้นั่นเองมันไม่ใช่แบบอาจารย์เพราะว่าเราคิดว่าเราเกินครึ่งศตวรรษแล้วแล้วเรามีสัญญากับพระพระเออพระพุทธเจ้าแล้วว่าเราจะเดินทางนี้แล้วเราไม่ใช่ว่าคนเก่งก็ดีทําได้ก็ดีทําไได้ก็ดีและโยมไม่ใช่คนเก่งเพราะพระอาจารย์เนี่ย เก่งมากเลยเพระอาจารย์หูฝึกมาแบบพอโยมไปดูหลายๆประวัติของพระเนี่ยแบบเก่งมากๆเลยอย่างหลวงตาหลวงตาบัวท่านก็เก่งมากๆาโยมยังทาไม่ถึงครึ่งเลยและโยมจะมาท้อกลางทางหรอโยมทําไม่ได้หรอกอาจารย์คือถ้ายมตั้งสัจจะไว้ว่าถ้าโยมจะมีโยมต้องมีด้วยตัวโยมเองจะถูกหวยหรือไแต่ว่าจะไม่เอาไม่ขอเข้าไปกกเกี่ยวพันกับครอบครัวแล้วเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ว่าละเอียดอ่อนและอย่างหนึ่งคือมันจะทำให้การปฏิบัติธรรมของโยมไม่ไปถึงไหนเลยค่ะพระอาจารย์ดีดีมากมายตั้งจัตจา้มยึดมั่ น, นในสัจจะที่เราได้ตั้งไว้นะแต่โยมรู้นะจมันตายใช่นะใช่พระอาจารย์โยมรู้ว่าคนอย่างโยมเนี่ยเดี๋ยวโยมจะต้องรวยด้วยตัวโยมเองและโยมจะเป็้างลงทานได้ค่ะโยมไม่ต้องไปนั่งพึ่ง ผู้า ย, ยมไม่เป็นไรมไม่ต้องกังวลเรื่องลองทานกังวลเรื่องภาวนานดีกว่าภาวนาได้บุญเยอะกว่าบางทีมันอยู่ๆแบบเวลาเรานั่งสมาธิอ่ะพราจารย์โยมเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เมื่อตั้งแต่โยมที่ฟังพอาจารย์มาโยมขยันนั่งสมาธิมาตลอดเลยนะแต่อพอล่ยโยมนั่งสมาธิก่อนพอยมจะมาสวดมนุยมเกิดอาการขี้เกียจสวดมนุ์อีกแหละไม่ต้องสวดแล้วถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดนะ ที่ส่วนนี้เพราะว่ามันนั่งไม่ได้มันนั่งได้ใจสงบแล้วมันก็ไม่อยากจะสวดแล้วะทีนี้โยมรู้สึกผิดใหมกับโยมไม่สวดมนต์ตอนเยน็นโยมไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกภาวนาเนี่ยครัสวดมนต์ก็เพื่อให้เราทําใจให้สงบถ้าเราทําใจให้สงบ ด, ด้วยการฝึกสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องไปสวดมนต์กก็ได้พระอาจารย์และทีนี้โยมไม่ได้หลับตอนที่โยมฟังเอ่อเทปพระอาจารย์น่ะเอ่อโยมไม่ได้หลับนะแต่มันมันมันอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งโยมหายไปก็ไม่รู้ อยู่ๆมันมันไม่ได้หลับมันหายแต่พอโยมกลับมาโยมันรู้ตัวเปล่าถ้ามันรู้ตัวก็ไม่หลับถ้ามันไม่รู้ตัวมันก็หลับมันมันรู้ตัวอ่ะพระอาจารย์ว่าโยมไม่ได้หลับแต่โดมก็ไม่รู้สึกตัวอไม่รู้เหมือนกันมาเขาทำงานรู้ตัวแต่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันคงก็เลยจะมาถามอาจารย์มันก็ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้หรอกมันมันรู้สึกตัวแล้วไม่รู้สึกตัวมันก็มันต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าใจค่ะอาจารย์แสดงว่ามันหลับอ่แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นก็แล้วกันสงไข่อ่อครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่โยมไม่เคยโยมไม่เคยแบบว่าไม่เคยเห็นสวรรค์นรกเหมือนชาวบ้านคนนะอ่าเหมันสวรรค์นรกนี่มันไม่ได้เป็นสถานที่หรอกมันสภาพจิตใจเห็นถ้าเห็นใจเราทุกข์ก็นั่งละคือนรกแต่เห็นใจเราสบก็เราก็นั่งละคือสวรรค์มันใจไหมใช่ค่ะ แต่โยมก็รู BOY ้สึกนี้ดีแบบว่าเวลานั you you ่งสมาธินั่งได้แบบชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยโยมจะรู้สึกดีแต่พอลายโยมไปฟังอ่าอย่างโยมฟังอาจารย์อหลวงตาบัวอเงี้ยโยมก็จะรู้สึกนั่งสมาธิได้โยมฟังหลวงปู่เปลี่ยนโยมก็นั่งสมาธิได้แต่บางทีโยมมีความรู้สึกว่านั่งได้ไม่นานพอโยมฟังพระอาจารย์เนี่ยโยมจะได้นั่งได้นานเลยเกินหนึ่งชั่วโมงเลย ก็แล้วแต่ท้อมันจะถูกสนลกกันก็ได้ครับใช่รู้สึกจริงจริงค่ะพระอาจารย์โยมจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์อไม่ต้องถวายแล้วเราเก็บไว้เลเก็บไว้อาแลย์เอเราก็มีบุญของเราแล้วไม่ต้องมาถวายให้บุญให้เราอ๋อก็บุญใครบุญมันถวายบุญใครบุญมันถวายให้ไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันถวายไม่ได้ะต้องทํำเอง โยมจะตั้งใจปฏิบัติค่ะทุกวันเลยค่ะจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะโอเคสาธุนะค่ะอริศกัยเจริญให้นาไปโดยนะมีงานใช้ตลอดชีวิตขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุ hood. สาธุอาจารย์ที่เป็นหมอทัตจัยเนหมอกลับนมสัตการอาจารย์ครับนะฮะ เป็นไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีช่วงนี้ที่แต่เป็นโควิดอีกแล้วครับเลยได้ปฏิบัติเยอะเลยฮะดีติดทั้ทงที่สองแล้วนะทั้งที่สองแล้วครับน่าจะติ ด, อ, ตดอยู่างนีอยู่างโรงพยาบาลนี่ก็คงจะเจอคนไข้ยเยอะนะที่ติดกันอ๋อน่าจะติดจากลูก ค, คิดว่าาารแต่ตตไม่แน่จอาจะสักโรงพยาบาลกัได้แต่ว่ า, าอาการไม่เยอะครับก็ก็ได้พักมาอยู่ปฏิบัติได้ในปฏิบัติได้เลยช่วงนี้สบายครับเ่อนดีมีเห็นไม่ต้องไปทํางานนะ ใช่ครับมีางาน<อ>งจวิ่งขาปิดทั้งวันไม่มีเวลาได้ได้หยุดกี่วันห้าวันนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กะว่าอาจจะกลับไปทํางานบ้านละครับก็เลยหยุดแค่ญญญครับที่ปกติก็ไม่ได้อะไรมากตอนแรก ม, มีมีไข้อ่าเจ็บคอนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอ ะ, ละาาแล้วครับก็มีก็ห้ามเวลาได้ป่าเวลาเราเป็นโควิดนี่ยก็อาจจะไม่ไปใกล้เชิดคนไข้ครับเดี๋ยวงยังไม่ทํางานได้อยูง เดี๋ยวไปทํางานพวกเอกสารพเพรกะอะไรไปก่อนครับนะครับก็มีประชุมมีอะไรอย่างอย่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเ ส, สาร์อาทิตย์มีต้องทำถ่ายทอดสดอะไรไปงานประชุมเลยต้องไปเตรียมนี่เครับนะย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคบุญใช่ไมโรคโรคโควิดนะครับอ่าก็ ก, ก็มันก็นก็เหมือนก็เหมือนแพร่ไปทั่วไปครับนะ แต่ก็ต้องระวังครับอ่าก็ต้องก็ต้องระมัดระวังครับสําหรับคนที่หกศูนย์แปดนี่เป็นยังก็ยังต้องระวังมากกว่าพูดเลยเอ๋อครับครับผมใช่ครับอ่าเป็นเด็กใช่ไหมครับอ่ใช่ครับอืมก็ต้องใส่แมสใส่อะไรก็้องก<ช><ๆ>ันอันนี้บินดับาลันเราก็ยังใส่แมสอยู่ทุกวั น, นอ๋อครับอ่าญาติโยมบางคนเขาไม่ใส่นะเพราะว่าใส่ครับไปต่างประเทศส่วนใหญ่ครับก็ไม่ค่อยใส่กันละราไม่ใส่กันละในเมืองไทยที่ที่ยางใส่กันเยอะอีกครับ <Okay. S 2> ก็มีวัคซีนมีภูมิอะไรก็น่าจะน่าจะาจะช่วยป้องกันได้ได้เยอะไ ม, ไม่ไม่ต้องฉีดเท่านะถึงแม้ว่าจะฉีดมาปีแล้วผมไม่ <laughs> ดีไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ผมก็คิดว่ามันมีในเซลลอิมูนก็น่าจะ <Okay. S 2> ไม่อย่างเป็นขั้นสองนี่ก็เป็นไม่ได้เยอะครับอ่ะทั้งแรงทำได้ว่าเป็นแล้วแบนอนสมไปหลายวันเหละทั้งนี้ก็ก็นิดหน่อยครับไม่ไม่ได้น่นอะไรมากอ่าอืมอ <Okay. S 2> เนะทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามันหยุดนะนะน่าจะเข้าไปที่วัดครับอ่นะ ได้มาได้กดีนะครับนะครบาปบปิดไมเวกบ้างใช่ครับเพราะว่าปิดหลายภารกิจแต่ก็ต้องมีวิ่งไปมาเลเซียนีิดแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพยายามมันหยุดหลายวันก็ น, นาก่าจะแบ่งเวลาไปอ่าคนจะเข้าคนจะไปใช้แบบน้องใช่ครับใช่มากนะใช่แต่ช่วงช่วงนี้หยุดผมก็ได้ได้สองสองวันที่ข้าได้ได้ได้ปฏิบัติเจอนะครับโอเคหลังจากปฏิบัติผมได้ เรียนทางทำบ้านได้ครับดีจ้ะนะทุกคนตอนนี่คุณปางวะอะไรสีร่าชากลับบ้านแล้วยังไม่ยั่ทังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่เลยเจ้าค่ะอืเป็นช่วงทําบัตรเจดอะค่ะหรือหรื อ, อแก้บัตรเจ ต, ตประมาณสามสี่รอบอะไรก็เลยชาร์ซึ่งซึ่งอันนี้ค่ะหนูก็ไม่เห็นค่ะหนูเห็นทุกเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่หนูกลับดึกบ่อยๆแล้วหนูก็ หนูมันนั่งร้องไห้ช่วงหนึ่งก่อนกลับบ้านหนูมองว่าทําไมต้องมานั่งแบบมานั่งนั่งทํางานหนักๆแบบกนเนี่ย่ะทำไมไม่ได้ไปวัดช่วงที่ร้องไห้อ่อสักพักห น, หนูหนูเพิ่งจับหนูก็โน้ตจับจับได้ครับี่จันว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นทุกข์เองแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าที่เราทําอยู่มันเป็นบ่วงที่เราที่เราไปผูกมัดไว้เอง ถ้าเราไม่มีครอบครัวเราไม่มีภาระอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงจะไปทางทําได้ง่ายซึ่งก็เลยรู้ว่าค่ะว่าอันเนี้ค่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็รีบรี บ, ร, บรีบทําภาระตรงนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะได้ไปไปศึกษาทําไม่เป็มที่ค่ะอ่ดีมันเป็นตัวเราเลือกทางของเราเองแล้ เ, เลือกไปอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่า เราอยากไปโทษใครให้โทษตัวเองอะเพราะงั้นทุกทุกครั้งหนูจะโทษตัวเองตลอดออแต่ว่าหนูก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าหนูหนูทํางานตรงเนี้ยให้เต็มที่ตามทาตามหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เ อ, อ, เ อ, อพอถึงเวลาค่ะอย่างเช่นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ว่างหรือเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงช่วงพักบิ๊กคอลีเดเดือนหน้ามีตั้งสามวันหนูก็คิดว่าเออมันมีตั้งสามวันเดี๋ยวยังไงเราก็ได้ไปวัดแล้วไปปฏิบัติธรรมแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะค่ะจะทำให้เต็มที่แล้วเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณเจ้าค่ะอย่าไปทุกอย่าไปทุกอย่ไปเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรค<อ>่ะนายก็ค่ะใช่เ<ด>หตุใช่ผลนี่บ่านะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเค ค, okay. คุณหน่อยชัยอนิจกล่าวนามาสะการพระอาจารย์เจ้าค่ะเออยังไงอุบสินเจ็บบ้างแปบบ้างค่ะสองวันยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้ครบสตินะ แล้วค่ะก็ถ้าถ้าแปดก็คือตัดสินใจนอนเลยเจ้าค่ะอทำไมจะได้ไม่หิวจะได้ไม่ทรมานใช่แล้วค่ะจะได้ไม่ดูไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, ะถ้าอาจารย์เจ้าค่ะแล้อ่าคืนหน่อยมีคําถามเจ้าค่ะอย่างคือก่อนเราจะตายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะชอบถามเรื่องตายเนาะเพราะว่ามั น, ม, นมันผุดขึ้นมาในหัวใน่อยตลอดว่าเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายเหมือนผุดขึ้นมา แล้ทีนี้พอดีเข้าสมาธิแล้วทีนี้ก็จะรู้สึกว่าลมหายใจมันแผ่วแล้วเคยนึกเคยเห็นคนตายต่อหน้าค่ะแล้วแบบเหมือนกับลมหายใจสุดท้ายอ่ะเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบว่าเขาจะพยายามหายใจให้เข้าลึกที่สุดแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนดิ้นทุลนทุนทนลายอะเจ้าค่ะแต่พอถ้าเราได้ฝึกสมาธิ ก็คือจะหายใจเข้าค่อยๆปล่อยค่อยๆออกอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วก็จะปล่อยให้หน้ำพายมันหายใจออกมาเอถ้าเราไม่หายใจก็ปล่อยมันหยุดไป ก, ก็คืออ่าถ้าเราดูลมหายใจก็เอาอ่าใจเรานี้ไปไว้ปลายจมูกถูกไหมเจ้าคะเออ่าดูลมไปไเรื่อยๆดูมันเข้าดูมันออกถา้ถามันเข้าแล้วไม่ออกก็แสดงว่าจบ จริค่ะหรือวเราไม่เข้าแสดงว่าจบใช่ไหมนี่ยแตค่ ะ, คะอ่าพอดีอ่าในฟังธรรมของพระท่านอ่าพระอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะคะอ่าในได้เคล็ดลับอนัปป น, ปนสติมาไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยจ้ะคะอ่าพระอาจารย์บอกว่าเคล็ดลับก็คือว่าต้องไม่อยากสงบต้องไม่อยากให้ได้อนาปนาสติ ต้องไม่มีความอยากต้องปล่อยวางถูกไหมเจ้าค่ะใช่ไหมฮะก็ประมาณเนี้เจ้าค่ะก็เดี๋ยวมันจะได้ของมันเองเจ้าค่ะมันต้องมีสติแต่อย่าไปอยากได้ผลแต่ต้องอยากอยากมีสติอยู่กับลมอ๋อต้องมีสติอยู่กับลมใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่เกิดขึ้นมาเองต้องมีสติรู้ลมเข้าออก ที่ปลายจมุกส่วนจะได้จะได้เมื่อไหร่จะสังของเมื่อไหร่นี้เราไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่สติว่ามันดีหรือไม่ดีเจ้าค่ะคือแตถ้าตามลมยังไงก็ไม่เห็นนะเจ้าค่ะไหนก็ตามอยู่ยังไงก็ไม่เห็นไม่นอนไม่ได้เห็นให้หลับตาดูให้ดูความรู้สึกเวลามันเข้าไปมันอยู่ความรู้สึกรับรู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออก แล้วถ้าเราสัมผัสสังเกตจริงๆมันก็จะลมมันก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาเข้าเวลาออกจ้าค่ะอาจารย์อีกนิดหนึ่งเจ้ะค่ ะ, ะก็ถ้าอ่ากลับมาเลี้ยงตายอยีกรอบนึงจ้าค่ะก็คือถ้าเราจะตายก็ต้องอ่าอย่างหน่อยฝึกสมาธิอยู่นี้ก็คือว่าถ้าอย่างไม่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็คือเข้าสมาธิได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วแต่มันจะเข้าได้ไม่ได้เวลามันแล้วแต่ที่เราจะฝึกถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็ไปอยู่ชั้นพรมไปแต่ถ้าเราไม่เข้าสมาธิแล้วเราปล่อยวางร่างกายได้เราก็ไปชั้นอริยะจะเจ้าได้อเป็นพระสมดาจวันได้ถ้าเราดูดูเฉยๆดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ไปมันตายไปโดยที่ไม่ต้องหนีเข้าสมาธิ อันนี้ก็จะไปเป็นโซดาบันนะคือที่หน่อยถามพระอาจารย์เพราะว่าจะให้ใจไหนรับรู้ไว้สิค่ะเพราะว่าถ้า อ, อย่างถ้าเคยได้ยินอ่ะหน่อเคยสังเกตตัวเองแล้วถ้าเคยได้ยินมันจะจําได้ใจไหนจะจําได้สิคะอะ่ลอารมณ์จะจําได้ปะกิเลศก็แรงนะสะค่ะก็อย่าลืมว่าเเกิดข้อจำกัญ อย่าลืมวิธีทําใจเวลาที่จะตายให้ปล่อยวางให้มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจชมีปัญญาก็ได้มีสติก็ได้<ม>อย่างใดอย่างหนเจ้าค่ะก็ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็มันมันไม่รู้เราจะเข้าได้ไม่ได้ตอนนั้นมันเหเหตุการณ์วิกฤตนะมันมันนุ่งนั่งนั่งมวยอยู่บนเวทีแล้วก็อยู่ที่ว่าเราสร้างมาได้มากน้อยเท่าไหร่ อ้อค่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นบททดสอบที่แบบอ่าถ้าทางที่ดีก็ไปสอบก่อนที่มันจะเจอของจริงไม่ไปเจอของเทียมก่อนไปอยู่ที่มันน่ากลัวฝ่อนเนลาี่ น, น่ากลัวเราใจเราสงบไหมแล้วตื่นเต้นตกใจเจ้าค่ะก็จะแต่ก่อนเคยเคยเป็นนะคะตอนอยู่มปลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่กลัวแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าค่ะเพรานานแล้ว อ๋อมันเรื่องของความคิดนะฮะมันมันมันไม่ใช่เป็นความจริงหรอกที่ไม่กลัวแบบนั้นเพราะมันมันคิดว่ามันมันไม่กลัวฉะนั้นมันเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังไม่เคยเห็นความจริงของว่าความตายนันมันมีจริงๆรอะไรยังไม่กลัวมันเแต่ถ้าเราไปเจอของตัวหนังตัวอย่างดูสักหน่อยนี่มันจะกลัวแล้วใชค่ะต้อง อืมถ้าถ้าจะไม่ให้กลัวนี่ต้องอ่าทํำยังไงบ้างเจ้าค่ะบาสันก็ต้องฝึกสติแล้วก็ปึกปัญญายอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราอเห็นอย่างนี้มันก็ไม่กลัวเจ้าค่ะฝึกสติก็ฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเวลาจะตายมันกลัวเขาพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธอการ น, นำเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเอ่า กันหน่ำดังๆจนกว่าจนกว่าความความกลัวจะหายไปแล้วใจก็จะสงบใชค่ะวันนี้ได้มีคำถามแค่นี้ค่ะพระอาจารย์โอเคซ้มตายไว้นะซ้มตายไว้นะ่ค <ขอ S 1> ่นะใช่ค่ะเอาตายแน้านะจ้าค่ะโอเคไปดิสเลนดอนเวนน<ข>อร์รีแนด์ยังมาสัก ค่ะอาจารย์สบายดีไหมสบายดีเป็นไง Black Friday Cyber Monday เป็นยังไงเรียบร้อยค่ะพระอาจารย์ถูกดูตลมาแล้วก็ซื้อของให้ลูกอะค่ ะ, ะก็อ ง, องอตัวเองมันเป็นธรรมเนียมแล้วถ้าไม่ซื้อกลายเป็นคนแปลกไปนะค่ะยมก็บอกเขาบอกว่าอันนี้ซื้อให้หนูแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะก็คือของจำเป็นที่ อย่างเสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของที่ควรจะมีอออย่างเงี้ยก็ได้ก็คิดว่าพอประมาณค่ะพระอาจารย์อไม่ต้องรอให้เขาไปเปิดวันคริสต์มาสนะให้เขาไปในวันนี้เลยต้องต้องใช้เลยใช่ค่ะเพราะว่าอากาศมันก็หนาวแล้วแล้วก็วของบางอย่างมันก็มันก็ต้องใช้แล้วอะคะ่ะก็บอกเขาว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเขาก็เข้าใจอ่ะคะ่ะก็ให้เขาเท่าที่ทําได้ค่ะพระอาจารย์อา่า ช่วงนี้โยมก็เหมือนกับพิจารณาว่าทางครอบครัวนะคะของโยมเ อ, อพวกญาติพี่น้องก็มีความแก่ความเจ็บความมากมายเกิดขึ้นในครอบครัวนะช่วงนี้ค่ะแล้วค<ำ>ําเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งหลานหลานที่เป็นญาติซึ่งอายุแค่สี่ขวบเองอะค่ะจะต้องเปลี่ยนไถ่อไขกระดูกแล้วก็ต้องอยู่ในห้องปลอดเชือ้อ ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมันก็เลยโยมก็คุยกับญาติของโยมเมื่อวานนี้มันก็มีคําพูดของพระอาจารย์พุดขึ้นมาเลยว่าทุกทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดพิจารณาว่าขันห้าของเราไม่เที่ยงของเขาก็ไม่เที่ยงความทุกของเขาจะเอามาเป็นความถูกของเราได้ยังไงในเมื่อในเมื่อขันของเขาก็ไม่เที่ยงขันของเราก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงคือมันมัน พิจารณาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วโยมก็ไม่โยมก็ไม่ได้ทุกนะคะแต่โยมก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยเ อ, อพู้ยังไงให้ญาติพี่น้องคลายความทุกข์ได้อ่ะคะ่ะเพราะเหมือนกับว่าทางบ้านโยมเขาก็ไม่ค่อยปฏิบัติสมาธิอ่ะค่ะก็เราก็ได้แต่รับฟังแล้วก็อธิบายง่ายๆให้เขาฟังนะคะถ้าเขาไม่ขอคำปรึกษาก็ไม่ต้องบอกอะไรเขาหรอกค่ะค่ะก็โยมก็พูดแค่ให้คลาย ความกังวลเท่านั้นเองอ่ะค่ะอืมแล้วก็มีอะไรที่โยมก็บอกเขาว่าอะไรที่โยมช่วยได้ก็เพราะว่าตัวลูกชายเขาเนี่ยก็อยู่แคลิฟอร์เนียอะค่ะแล้วหลานที่เขาเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกก็อยู่ที่ LA เอลอยค่ะแต่ว่าญาสของโยมเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยโยมก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรเ อ, อที่โยมช่วยได้ทางฝั่งนี้ง่ายๆก็ก็โยมก็ยินดีที่จะช่วย ท, ท, ทําเท่าที่ทําได้ค่ะอาจารย์อนเด ควา <ฮะ S 1> มเมตตาความการุณาแบบค่ะเราเร า, เราก็ไม่รู้ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเกิดแก่เจ็บตาปัญดาแล้วก็ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะที่เมื่อกี้คุณมารีถามพระอาจารย์เรื่องผ้าค่ะโยมก็เลยจะนึกขึ้นมาได้ว่าโยมเคยฝันว่าโยมไปเที่ยวอะคะ่ะแล้วพระอาจารย์ก็เข้ามาในฝันของโยมในตอนที่โยมไปเที่ยวอยู่ แล้วพระอาจารย์ท่านบอกโยมว่าให้ไปปูผ้าอาสนะนะเพราะว่าท่านจะเทศโยมก็เลยเมื่อกี้ที่ฟังคุณมอลลีก็เลยอ๋อเพราะว่ามันเป็นพระวินัยนี่เองเอ๋อโอเคค่ะครับขนาดในความฝันพระอาจารย์ยังไม่ผิดวินัยเลยโยมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้โหโยมนี่ช่างโชคดีที่ฝันหึวงพระอาจารย์ค่ะอืก็ไม่มีอะไรค่ะมีประมาณเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณค่ะ ปฏิบัติไปเรื่อพยพิจารณาความตายไปเรื่อยๆแล้วปล่อยวางให้<อ>ใหได้อย่าไปทุกข<อ>์กับมันค่ะพระอาจารย์กลับขอบคุณมากนะคะพระอาจารย์สาธุค่ ะ, ะคุณจิ้มต่ออะไรอยู่เพื่อนบ้านกันเดตกันจิ้มไปเวลานึงกั น, นกขอบพรมกคะระอาจารย์อ า, าจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะโยมก็เหมือนเหมือนสลินทอนนะคะแบ็คไฟเด็กก็ดูด ใชเบอร์มันเดก็ดูดไปดูดดูบดหมดเลยเลยยค่ะฉันบอกว่าเดินพาลูกลูกไปอะค่ะเพระลูกสาวเขาคือลูกชายอะเป็นผู้ชายเขาก็ง่ายๆแต่พอเหมือนสลินท่อนะคะพอเป็นลูกสาวก็แบบอ่าแม่ไปยางค่ะเพราะว่าเหมือนกับตอนโยมเป็นเด็กๆแม่ให้ใส่อะไรโยมก็ใส่แต่พอเด็กที่นี่ไม่ได้ต้องต้องเลือกของเขาเองออย่างเงี้ยค่ะ โยมก็เลยไปแล้วก็เดินเดินตามลูกกับพรอาจารยแบบสี่ชั่วโมงโยมแบบโอ้ยเ <laughs> นี่ยการทุกข์เลยไม่ลูกแล้วมันก็ทุกข์ไงใช่แล้วพอโยมไปเห็นที่ห้างนะคะมันแบบแถวมันยาวมากแล้วโยมมันนั่งมองปองแบบเแสบบื้อผ้าพก็ซื้อกันได้ทุกปีเนะาะแล้วก็แบบเรามันทํามมันจะทไมมันซื้อ <ไป S 1> วันทนะี่วันเดียวนะทําไมมาซื้อวันที่วันเดียวมันจะลดมากมายอะไรขนาดนั้นเนาะ ยังแบบเจอที่เนาะกิเลสของคนเนาะอะไรโยมรวมถึงลูกเราแล้วตัวเรามันก็ได้พงอะค่ะแล้วก็แบบก็เห็นช่วงหลังๆมันก็คือก็นั่งก็นั่งบ้างนอนสมาธิบ้างอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยเราช่วงหลังมันไม่รู้เป็นอะไรแบบเหนื่อยมันเหมือนมีเรื่องกวนใจมันไม่ถึงกับกวนใจแต่บางครั้งมันหนึ่งกับพอมันจะใกล้สิ้นปีอะค่ะอาจารย์เราก็แบบเมื่อไรจะปีใหม่เนาะเมื่อไหรจะปีใหม่เราอยากให้มีปีใหม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกับหมดพลังปีนี้โยหมดพลังไปแล้วก็เลยเออเหมือนกับเหมือนพระอาจารย์บอกให้มองความตายให้เยอะๆอ่ะค่ะโ mm hmm. ยมก็มองช่วงนี้ก็มองบ่อยๆพอเริ่ ม, มาอายุเรามากขึ้นเราก็มอง mm hmm. อย่างเมื่อวานโยมยับอกเพื่อนว่าเออวันนี้ถ้าเราตายไปอะเราโอเคไหมถามใจตัวเองก็โอเคนะคะ mm hmm. รู้สึกว่าไม่ห่วงไม่ห่วงลูกไหมมันน้อยมากแต่ก็ห่วงแต่ก็แบบ ไม่ถึงกับว่าตัดใจไม่ได้อะไรเงี้ยโยมก็แบบเออเราก็ไปได้ทันทีเนาะแต่ถามว่าเราไปแล้วเราจะเอาอะไรติดตัวไปได้มากไหมคงต้องนั่งสมาธิให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือบุญที่เราทําเองได้ให้เราเองเงี้ยค่หะหมุนที่พระจํารย์บอกบุญยกให้กันไม่ได้โยมก็ว่าอืมมันนี้มันคือที่จริงอ่ะคะ่ะก็เลยจะปฏิบัติให้มากขึ้น พ, พระพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์ก็โยมขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะ ก็สาธุจิ่ากับนักการเจ้าค่าโอเคไปที่คุณจอยต่อจอยพัติยาก่ค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะก<อ>็ดีค่ะแต่ว่าหนูได้ขึ้นทางโดดหน่อยแล้วนะคะเดือนธันวาหนู้องไปไปบวชวัญญาณนะคะแต่ว่าหนูบวชข้างล่างะคะ่ะ แต่ไปไปเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่าอยากไปด้วยก็เลยไปกันสองคนค่ะยี่สิสองยี่สามยี่สี่สามวันอ่าดีค่ะจะได้ไปพักผ่อนจิตใจบ้างอ่านว<ะ>แบกเรื่องราวต่างๆมายเยอะแลนะใช่ค่ะแล้วก็หนูห น, หนูความที่พระจ่บอกว่ามีคนมาดา่าแล้วถ้าเราโกรธไหมอะไรเงี้ยเอ อ, อก็หนูว่าโดนพ่อแฟนอ่ะเขาเขาโกรธแฟนหนูแต่เขาไม่ได้เขาแต่เขาติดต่อไม่ได้เพราะโทรศัพท์พัง แต่เขาบอกเขหนูแล้วทรศัพท์เขาโมหาหนูเขาด่าด่ามาเลยค่ะไม่พูดอะไรด่าอย่างเดียวเลยหนูแบบหนูก็ฟังแล้วหนูก็อึ้งหนูก็คิดว่าอืมเราควรโกรธเขาไหมนะเราก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่โกรธได้อ่ะค่ะก็ถือว่าหนูก็ก็ผ่านได้เหมือนกันค่ะฟังกูไม่ดีค่ะหนูก็เหมือนแบบดีขึ้นสึกว่าเออ ถ้าได้ทำมาของผู้เจ้ากับพี่พระอาจารย์สั่งสอนมันมันเข้าหัวได้เยอะเลยค่ะอมีประโยชน์อย่างเงี้ยเวลามีเหตุการณ์อะไรมันก็จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ค่ะรู้สึกว่าสงสารเขาด้วยซ้ำว่าที่เขาด่าเพราะว่าเขาโมโหแล้วแบบแต่เราไปใช่ค่ะปล่อยเไปใช่ค่ะค่ะหนูก็ก็เลยคิดอย่างงั้นแต่ก็เข้าใจเขามากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่โกรธค่ะแล้วหนูก็ไปใส่บาตรเหมือนเดิมออ เราจะไปบ้าตามเขาทำไมเขาบ้าเราปล่อยเขาบ้าไปเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบเข้าใจโลภมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วเราเองนั่นแหละที่ต้องปรับตัวเราให้ได้เองทำเตะทำทำบ่อยๆมันเริ่มเข้าใจค่ะฟังเขาฟูงฟังบ่อยๆก็พอเขาคนอื่นพูดเราก็เอามาคิดตามมันก็ได้ได้กับตัวเรา แล้วคุณจะค้นถามไปก็มาปฏิบัติจะได้ทําใจได้ง่ายขึ้นนะค่ะค่ะค่ะมีโอกาสจะรื้ไปต่อเลยค่ะโอเคครับคุณอาเภสิษสกนลคนครเอานามัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์โอเคลองลองทำไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับนี่มาที่คนนุณแห่งต่อคนนุณแห่อองกตธรรม กกค่ะวันมการค่ะพระอาจารย์อืมีอะไรมีอะไรไหมอ๋อมีมีบ้างค่ะพระอาจารย์เมื่อวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาค่ะโยมโยมเพิ่งกลับจากทอดกระถิ่นเจ้าค่ะแล้วก็มีนั่งสมาธิแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็เหมือนกับว่าเห็นภาพเจดีสีขาวอะค่ะปรากฏอยู่แล้วก็พอโยมอ่นึกได้โยมก็เลยกลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธเจ้าค่ะ ีนี้ว่ามันเป็นเพราะว่าจิตของเราไปติดอยู่กับเรื่องของการกระถินสร้างเจดีใช่ไหมเจ้าคะ่ะอาจารย์อืมก็ไม่เป็นไรมันเป็นเวลาที่เราฝันไปใช่ไหมนอนหลับฝันไปนี่ไงอ๋อไม่ใช่ค่ะนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะอ่าก็ถ้าเราเพลอสติมันก็ปอ่อยมันก็ไปคิดทั้งนั้นทั้งนี้นนนได้ท่านหนึ่งสติมันอ่อนไปใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องดึงกลับมาใช่ท่านหนึง่งใช่สติหนึ่งจิตกลับมา ได้มาอยู่กับลมมาอยู่กับพุโทโธต่อเจ้าค่ะซึ่งนิมิตตรงเนี้บางทีที่เขาบอกว่าอย่าไปยึดติดเพราะว่าบางคนจะเหมือนกับว่าพอเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นความอยากมันก็จะทําให้ทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ใจเราไม่สงบเราก็ยังไม่ได้ภาวนาเราก็จะมาติดนิมิตแทแต่มันดูนิมิตมาติดตามนิมิตเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอันนี้นิมิตมันจะเป็นเรื่องเหมือนดูหนังอ่ะดูดูดูหนังดูละคร เจ้าค่ะอย่าไปสนใจถ้าเราไม่อยากจะเสียสมาธิเราต้องกลับมาที่ลมกลับมาที่พุทโธต่อเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คือนอนแล้วก็เป็นตะคิวแบบแล้วก็เลยพุทโธมันพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็มันนึกได้แล้วจนจนมันหายไปนะคะอาการทุกทีมันจะแบบมันจะมันจะพอเป็นตะคิวตอนดึกอะคะ่ะทีนี้ว่ามันมันส ง, งบลงแล้ว แต่แต่โยมมันนึกได้พระอาจารย์บอกว่าให้มองตามความเป็นจริง<ม>แต่โยมพุโทโธไปเรื่อยเลยเจ้าค่ะอ่าก็เหมือนกันพุโทโธไปจะได้ ป, ปล่อยวางปล่อยความให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาอ๋อคือคือเหมือนเราใช้พุโทโธไปเรื่อยจนอาการสงบอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราไม่เท่ว่ายอมรับมันไงคะอ๋อเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาเลย ถ้าจะยอมแล้วมันต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นตอนนั้นมันควาใจแล้วก็ผ่านที่ให้ใจสงบจตตอนนั้นเหมือนสติคือเราหลับอยู่ค่ะพระอาจารย์มันเกิดกลางดึกอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยใช้ไม่ทันแต่ว่าพูดโ่รพูดโธไปได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะหรือต้องปรับยังไงอะค่ะอ๋อเราอยู่ขั้นไหนเราก็ใช้ธรรมะขั้นนั้นไปตอนนี้เราอยู่ขั้นสติเราก็ใช้ ใช่สติไปก่อนอ๋อเจ้าค่ะงั้นก็เป็นไปตามนั้นมันก็ดับอาการตรงนั้นไปได้แบบชั่วคราวแต่มันไม่มแบบถาวรถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะดับถาวร อ, อ๋อเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะโอเคถูกคุณก๊อฟกลับมาแล้วเป็นยังไงก๊อฟตอนนี้ลองพูดดูสินามสการครับอ่าชัดเจนนเลย มาแล้วมาม า, ม, ามีอะไรไหมย่มหนอพองหนอน้ำหนักมันลงไปเจ็ดสิบสี่ครับแล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็ต้องเอาอีกเอาอีกทีหนึ่งครับเอาอีกทุนึงครับมาได้มาได้เอาสักหกสิบไหมกาล<ะ>ังนี้เท่ากันเราแล้วก็หกสิบนี้อัปปารันก็ ครับก็มาเอากำลังใจครับก็ต่อเมื่อเมื่อคืนวันก่อนได้อ่านหนังสือใจพคตาสติก็ชอบชอบปกติไม่ค่อยอ่านหนังสือเยอะครับแต่อ่านเพิ่นครับก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาอ่านเหมือนเหมือนหลวงตาเอ่อเหมือนเทพให้ฟังเลยเพราะว่าอ่านแล้วแบบว่าเหมือนเสียงหลวงตาก็ออกมาครับเดี๋ยวว่าจะเอาตูปไปพิมพ์เอาไว้ติดติดไว้ไ ว, ไว้ไว้ดูในห้องอะไรเงี้ยครับ คือคือผมชอบมันเทินมากอืมมันเทินแล้วก็เข้าใจเรื่องอ่านแล้วก็รู้สึกเข้าใจกว่ากว่าทุกเรื่องครับดีนครับครับก็ประการรักษาสุขภาพครับสาธุจิตาครับที่คุเนต่อุเน้นพัทยา ารกับพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยอินน้องคนหนึ่งบอกว่าโดนด่าหนูก็เพิ่งโดนก็นอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกดา่าไม้แต่พระต้าวพระถูกเขาว่าพราาาาอะอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรพรีไปที่คนโดน้องเขาบอกว่าอ่ช่วยพูดให้ฝรั่งไปหน่อยค่ะพี่เขาไม่เขาเขาไม่เข้าใจเรียกรถหนูก็ลงม า, าบุญห้องไปดูห้องนะคะ บางอย่าปากโอใส่พวกๆหนูก็เลยงงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะพระอาจารย์เออก็เลยมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะโกรธก็เรื่องของเขาไปเขาจะด่าแล้วเข้าไปอหนูก็ต้งบอกว่าจะบอกว่าจะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอืมขอเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ไม่เข้าใจเรียกรถให้ให้ฉันหน่อยแค่นี้เนี่ยทำไมจะต้องไปทําเป็นเรื่องใหญ่ นแล้วก็พูดดา่าไปหนูกำลังช้าปล่าไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลยเสร็จเรียบร้อยอแล้วเหมือนอ่ะพูดไปก็พูดไปเหอะหนูก็เลินนั่งยืนมองไปไปพักหนึ่งแล้วก็คิดในใจโอคนก็น่าสงสารเนาะแล้วก็เดินยิ้มแล้วก็ได้เดินออกมาค่ะพระจารย์ก็เงยอ อ, อกตามก็ไม่ได้ไม่ได้มีอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรก็ว่า ม, ามองดูใจของตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเขาอืมแต่เราก็คิดว่าแค่สงสารแค่นั้นกับสงสาร อ่ะอาจารย์แล้วก็มันเจอเรื่องหลายเรื่องนะคะอาจารย์ใจหนูก็เลยเหมือนวันนี้เหมือนกันก็เจอหนึ่งเรื่องของภาษีหนูก็เลยเมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรประมาณนี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งเราต้องแก้ปัญหานะคะให้กับครอบครัวคือไม่ที่นี่นะคะก็ก็ไปคุยก็นั่งมอง ใจตัวเองว่ามันมันเป็นยังไงบ้างที่จะแก้ปัญหาอะไรต่อไปนะคะพระอาจารย์อืมต้องมันมีบ้างเนาะอย่างน้อยก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือมีสติอะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่เหมือนพี่เหมือนจะไม่จะไม่เหมือนจะเสียใจหรือว่าเหมือนจะอะไรแต่พี่ก็ไม่อะไรเนาะก็ยังยิ้มอยู่ได้พี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันนี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็คิดอยู่แค่นี้ก็ค่อยๆแก้ไปะค่ะพระอาจารย์ พอเราคิดได้แบบนี้ก็เหมือนแบบว่าใจเราโล่งเพราะว่ามองมาอยู่ที่ใจของเราซะมากกว่าคาารับอาจารย์ว่าเรารู้สึกยังไงหนูก็ไม่ทราบว่าไอ้นี่ถูกไหมแต่หนูรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะาารับอาจารย์นั่นแหละท่ า, ถ, าถ้าใจเราไม่ทุกข์ใจเราไม่วุ่นวายไปกับมันก็ใช้ได้ค่ะแต่พอได้ยินบางครั้งตอนแรกเนี่ยมันก็ยังแบบฟุบเข้ามาอยู่นะคะพอาจา ร, ราย์แล้วก็ค่อยๆตั้งสติอะค่ะพอาจารย์ว่าอืม เกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือว่าเราเรารู้ว่าเราจะต้องตั้งสติแ ล, แล้วใช่ไหมคะรู้สึกตัวแล้วบอกแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์อืมไม่ไม่ไปตกใจอะไรกับมันมากไม่ไม่มมไปใช้อารมณ์ใช้เหตุผลก <c oughs> ็หนูก็เลยว่าอ๋ออันนี้เนี่ยก็คืออาจจะมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราจะหันมาดูที่ใจเรามากกว่าคร่ะอืมมันเบา ไหมมันมันทุกนานไหมมันอะไรไหมนะคะพระอาจารย์จะพงค่ะพระอาจารย์เราดูที่ใจของเราอย่างเดียวคนอื่นไม่ต้องไปสนใจอพราะนี้เราไปทําอะไรก็ไม่ได้เราทํำได้เพียงใจของเราเท่านั้นเองเราสบายใจกับเราให่เศร้าไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเกับอะไรทั้งสิน้นค่ะค่ะพระอาจารย์เหมือนเจ้ากุยกับคนใกล้ตัวพอโทรไป คือไม่อยากจะคุยไม่อยากจะไอ้นี่บอกว่าปวดหัวเอา้าวกำลังไปจะถามไปอะไรมาก็อ้ า, อาก็โอเคไม่เป็นไรครับอาจารย์ ม, มันคือคุยไปก็คงมันจะมีเรื่องกันคับอาจารย์ตรงนี้มีแต่ความคนมีแต่ความทุกข์กันทั้งนั้นหนูก็บอกว่าโอ้คนมีมีแต่ความทุกขนะ์เนาะหนูก็ได้เลยว่าอ๋อไม่เกิดอีกแล้วหนูอบอกอย่างเงี้ยอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยคือเข้าใจเลยมันก็ต้อง ที่ตัวเรานะคะพระอาจารย์แล้วก็มองหลายอย่างที่อยู่ในบ้านทั้งที่เราดูแล่าคนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นในเรื่องของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะพระอาจารย์ mm hmm. มันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแค่เพียงแค่เราทาตัวเองให้พยายามทันตัวเองให้มั่นคงแล้วก็ตั้งตน ให้มันแน่นอนมากดีกว่านะคะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องพระอาจารย์ก็พยายามทำไปตามที่หนูได้ไปฟังจากที่พระอาจารย์ห่อย่อยทีละเล็กทีละน้อยก็นามาคิดแล้วก็นามาปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองจะจะเบาขึ้นแล้วก็มาดูว่าเราจะต้องมีสติให้มันมากยิ่งขึ้นแต่รู้เลยว่าโอ้โห กิเลสเยอะมากพาจานมันจะบู๊พะปว่าไปไม่เปิดตื่นนอนก็พยายามทําแต่ก็คือเริ่มที่จะได้อะคะ่ะพยายจานมากยิ่งขึ้นค่อยๆอ่ะค่ะหนูก็รู้ว่ามันไปทีละขั้นบันไดหนูจะพยายามทําไปเรื่อยๆมันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆค่ะพาจารย์หนูก็จะพยายามทําให้เรื่อยๆก็คือจะไม่พยายามให้มันอ่หลุดแต่คือถ้าจะยังไงก็กกต้องพยายามตามจิตตัวเองว่า อ, อ๋อไปแล้วก็คือให้รู้ว่าไปไแล้วก็ เลื่อนกลับมาคอยเลื่อนวนจับมาเ่อยๆค่ะอาจารย์อันนี้ถูกใช่ไหมคะอาจารยถ์ถูกต้องถูกต้องอ๋อค่ะหนูก็จะยพยายามทําต่อไปค่ะถึงแม้ว่ามันจะเจอปัญหาอะไรที่มันหนักมันก็ผ่านมาได้ตั้งเยอะหนูก็คิดว่าหนูคงครับหนูคงผ่านอาจารย์นะครับหนาเราก็ปล่อยวางแก้ได้แก้แก้ไมาได้ก็ปล่อยไปค่ะอาจารย์ ร ค, รครัอาจารย์หนูก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปครับพอาจารย์อ่าโอเคสาธุอาจรย์อ่าขอให้ท่านกันตงเลยด่าคุณการชิดจากไต้หวันเชิญกราบนมำส ก, การครับพระอาจารย์สาธุก็เห็นวันนี้ก็เห็นอาจารย์โพสว่าอย่ายอมแพ้สู้สู้ไปนะครับอือันมันปฏิบัติ อ่การบต้องต้องผลักดันตัวเองมันต้อไปถ้าเจะรอให้มันไปเองมันไม่ไปหรอกครับก็ก็มีนั่งก็ก็ดีครับอาจารย์ก็เริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มเริ่มวูบวาบวูบ ว, วาบเป็นอะไรวูบวาบเหมือนเหมือนมีเหมือนเหมือนมีมีพลังงานหรือเปล่าครับาอาจารย์ เวลาเรานั่งแล้วมันวุบวบวุบวบแล้วมันใกล้มันหมดลมหายใจนะครับอาจารย์าารยผมก็เลยดึงดึงกลับมามพุทโธเป็นเรื่องของจิตเนี่ยเรก็พยายามกวบคุมมันได้ให้มันนิ่งให้มันสงบขอบอาจารย์โอเคนะมีอะไรไหมก็ก็มีเรื่องที่ว่าที่ว่าจีดยาวัคซีนที่พระอาจารย์ถามคุณหม ที่อยู่ใต้วันผมฉีดสี่เข็มแลนะครับป้าจันอตอนนี้ก็บังคับให้ฉีดไหมนะไ ม, ไม่ไม่บังคับนะครับก็มีต่อไปจะเป็นเข็มที่ห้าเพราะว่าผมฉีดแอตาสองเข็มแล้วก็โมโดนาแล้วก็ซูเปอร์โมโดนาแล้วก็อีดเข็มหนึ่งก็ไข้หวัดใหญ่พันใหม่ครับเป็นห้าเข็มพอดีครับปีที่ผ่านมาครับโอเค ก็หวังว่าคงจะป้องกันได้นะ <c oughs> ครับผมอาจารย์โอเคสาธุคนอะไรเลยมีมีถาวันนะมีถาวันสมัชชานะครับ อ, เเบอบบ า, บาจารย์ครับเปิดเปิดเปิดใหม่เลยครับโอเคกับนรรสมการอาจารย์ครับ ะจ ะ, จะเล่าเรื่องการปฏิบัติให้ฟังครับขอคำแนะนำรายการครับเอาสั้นๆเลยอย่าอย่าอย่าเป็นรมหากาศนะครับก็คือจะทำวัดเช้าเย็นแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็จ ะ, จะนั่งไปเรื่อยๆให้นานที่สุดจะเกิดเวทนาตอนตอนชั่วโมงกว่าก็พยายามพยายามสู้กับเวทนาครับแล้วก็ออกจากสมาธิก็ พิจารณาอภินิหารปัจเวกครับอแต่แต่ตอนตอนนั่งสมาธินี่ก็พยายามพยายามไม่คิดว่าจะสงบหรือไม่สงบครับพยายามสู้ไปเรื่อยๆสู้กับเวทนาครับแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปเรื่อยๆครับต้องต้องต้องเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ทําให้มันสนมสำ่ำเสมอแล้วก็ถ้าทำให้มากขึ้นได้ก็ทําให้มากขึ้นนั่งให้มันมากขึ้น ต่อทาตอนเช้าตอนเที่ยงครับตอนนี้สองเวลาครับเออาเดี๋ยวพยายามทําไปอย่างน้อยก็อย่ายให้มันลดลงครับพยายามจะไม่ต่ำกว่าวันละสามชั่วโมง อ, อ่าถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆินตอนตอจะปฏิบัติได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ผมไปต่อตอนนี้เหมือนว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปสูงสิง่งนี้ คือผมถือศีลห้าทุกวันแล้วก็ยึดถือเอ่ากุศลไอกรรมบุตรศีลอครับให้ให้บให้ให้ได้บริสุทธิ์ครับเอ่ดีครับตามปฏิบัติแล้วเราจะไม่ค็อยากจะไปยุ่งกับใครแล้วแหคนแล้วก็ใครทําใครทําผิดใครจะพูดอะไรก็ผมถือว่าเป็นความผิดของแต่ละบุคคลเราเราจะไม่ไปยุ่งไปไปทําให้ความดีเราตกไปครับใช่ถูกต้องเราต้องรักษาความดีไว้ แต่ก็ติดเรื่องเรื่องอะไรการภาวนาบางทีก็แวบไปแต่ว่าก็พยายามพุดโธให้เร็วๆถูกต้ตง อ, องถูกต้องใช้คาบริกรรมนะเด็เวลาไม่มีสติขาดสติ ก, ก็ใช้คาบริกรรมแล้วก็จัดนั่งให้หนานที่สุดครับสู้กรรมินทะนันไปเวลาเจวิทนาก็บริกรรมไปเลยอน่้นังเฉยๆถ้ามีคมบริกรรมแล้วมันมันจะผ่านง่ายๆนะ ตอนนี้ยังก้าวข้ามชั่วโมงที่สองยังไม่ได้เลยคโอเคครับผมก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มไปเพิ่มเวลาขึ้นไปเองครับผมโอเคนาดูจ้าบ้านยู่ที่ไหนเนี่ยเริ่มถามอ่าอยู่ก่อนธรรมอครับก่อนธรรมอนะโอเคครับครับสาดูครับอ่ตอนนี้ไปที่คุณล้าต่อพุณล้ามีลราบนมัธการแระอาจารย์เจ้าค่ะ มีทั้งหมดสามคำถามเจ้าค่ะสองคาถามแรกจากคุณธีรภูมิกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมขอความเมตตามีสองคำถามครับคําถามแรกกระผมรู้ตัวว่ายังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ดีจะรบกวนถามพระอาจารย์ว่าในระหว่างวันกระผมจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า ร่างกายเป็นอนัตตาเป็นเพียงาธาตุสี่ที่ทาธาตุรู้ไปยึดไว้สักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันไปถ้ากระผมพิจารณาแบบนี้เรื่อยๆจะช่วยทำให้ผมนั่งสมาธิได้ดีขึ้นใหม่ครับหรือควรใช้วิธีการใดในการปรับปรุงในการนั่งสมาธิให้ดีขึ้นครับก็วิธีนี้ก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะอยู่ที่การกระทาทาอย่างต่อเนื่อง แล้วเราก็สังเกตดวูว่าเมื่อเราทําวิธีนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจิตสงบง่ายขึ้นหรือไม่แต่ทางที่ดีเบื้องต้นนี้อยากจะให้ลองแบบไม่คิดจะดีกว่าใช้สติแบบไม่คิดดีกว่าเช่นดูร่างกายของเราว่ากําลังทําอะไรอยู่ค่อยเฝ้าดูมันไปดูเฉยๆรู้เฉยๆรู้ว่ากำลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังรับประทานอาหารกําลังอาบน้ากําลังทําอะไรกใกล้รู้อยู่เฉยๆ ไม่ให้คิดอะไรน่าจะดีกว่าสลหการไปฝึกสมาธิคำถามที่สองถ้าผู้ใดประสงค์จะนําหนังสือของท่านพระอาจารย์มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดรูปเล่มใหม่เพื่อแจกเป็นธรรมทานไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตจากท่านพระอาจารย์ในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งไหมครับกราบขอบพระคุณ อาไม่ต้องหนังสือเราไม่ไม่มีการสมวนนิขสิิธิ์นอกจากว่าถ้าจะาไปทำมาหากินเอาไปค้าขายเท่นั้นเองแต่ถ้าเอาไปพิมพ์ใหม่แต่แล้วไม่เปลี่ยนข้อหาไม่ไม่เปลี่ยนเนื้อหาสาระอะไรก็สามารถจัดการทำได้เลยไม่ต้องมาขออนุ ญ, ญาตขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีความปรารถนาที่จะเผยแผ่ธรรมำถามข้อสุดท้ายจากคุณมิไรรัต ทำอย่างไรถึงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคะท่านเจ้าคุณคะข อ, อนามสการเันก็ต้องปฏิบัติสีลสมาธิปัญญาเพื่อล่าความอยากให้หมดล่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นแล้วล่าความอยากในการความมีความอยากมีอยากเป็นล่าความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้มัหมดประจากใจแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป <c oughs> เอาละนะเวลาก็พอสมควร